เจริญพรท่านผู้สนใจการตังธรรมบรรยายจากพระสูตรท่านสำหรับหัวข้อธรรมบรรยายเกี่ยวกับพระสูตรในวันนี้อาตมาพากจะพูดถึงเรื่องประทมมรณสติสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติ ในพระไตรปิฎกมีหลายพระสูตรด้วยกันแต่ที่จะเลือกมาบรรยาย ใ, ในวันนี้ก็คือปฐมมรณสติสูตรคําว่าปฐมแปลว่าที่หนึ่งปฐมมรณสติสูตรแปลว่าสูต ร, ร, ตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งเมื่อมีที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีที่สองเรียกว่าเป็นสองพระสูตรแต่ว่าด้วยเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการรำลึกถึงความตายอย่างมีสติ ปฐมมรณสติสูตรมีบันทึกไว้นในคัมภีร์อังคุตระนิการอัถกนิบาทพระไตรปิฎกเริ่มที่ยี่สิบสามท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดก็หาอนเพิ่มเติมได้ทีนี้เนื้อหาของปฐมมรณสติสูตรนั้นว่าอย่างไรเรื่องของเรื่องก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสถามพิกษุแปดรูป ว่าแต่ละรูปนี้มีวิธีเจริญมรณาสติกันอย่างไรอิกสูทั้งแปดรูปก็กราบคูณวิธีที่แต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยได้ใช้เจริญมรณาสติในชีวิตประจําวันถวายเมื่อแต่ละรูปนี้กราบทูณวิธีเจริญมรณาสติคือวิธีระลึกถึงความตายของตัวเองถวายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสาระสาคัญของ ทาสนทนาระหว่างพระพุทธองค์กับภิกษุทั้งแปดรูปนี่อยู่ว่าพระองค์ตร า, ามาแต่ละรูปอยู่กันอย่างไรไปเจริญมรณาสติกันอย่างไรภิกษุแต่ละรูปก็ตอบเรียงตัวบุคคลกันเลยทีเดียวรูปที่หนึ่งบอกว่ากระผมคิดว่าหรือข้าพระองค์คิดว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งคืนหนึ่งวันดังนั้น จึงควรรีบศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจแล้วใส่ใจนำมาปฏิบัติรูปที่สองกล่าวตูลว่าข้าพระองค์คิดว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งดังนั้นจึงควรรีบใส่ใจคำสอนแล้วน้อมนํามาปฏิบัติรูปที่สามกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงกึ่งวันแล้วก็มรณนะ ดังนั้นจึงควรรีบสนใจคาสอนและน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่สี่กราบทูนว่าเราอาจมีชีวิตยอยู่เพียงชั่วขณะฉันอาหารมื้อหนึ่งแล้วก็มรณนะดังนั้นต้องรีบสนใจคาสอนแล้วน้อมนามาปฏิบัติรูปที่ห้กระาบทูนว่าเราอาจมีชีวิตยอยู่เพียงชั่วขณะดัอ า, าหารกึ่งมือ้อกึ่งมื้อคือยังไงตายคาวงข้าว ยังฉันไม่เสร็จเลยสำลักเม็ดข้าวติดหล่อนอมตายนี่เรียกว่ากึ่งมือก็อมรณะดังนั้นจึงควรรีบสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูพี่หกกราบทูนว่าเราอาจมีชีวิตยอยู่เพียงชั่วขณะฉันข้าวสี่ห้าคำแล้วก็มรณะเพราะฉะนั้นต้องรีบเจริญมรณะสติทำความเพียร รูปพี่เจ็ดกล่าทโนว่าเราอาจมีชีวิตยอยู่เพียงชั่วขณะฉันเข้าหนึ่งคแล้วก็ดิน้นพับพลั้เลยถึงมรณะกังนั้นต้องเรียสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูปพี่แปกร่าบททนว่าเราอาจมีชีวิตยอยู่เพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มรณะคือตายความตายอยู่แค่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นต้องเรียเจริญมรณะสติ สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทันทีพระพุทธองค์ทรงสดับัแล้วก็ทรงสรุปว่าทิกสู่ทั้งแปดรูปนี้รูปที่จเจริญมรรสติตั้งแต่รูปที่หนึ่งถึงรูปที่หกนั้นนว่ายังประมาทอยู่มากคุณยมลองฟังดูให้ดีนะรูปที่หนึ่งบอกว่าหนึ่งคืนหนึ่งวันเราอาจจะตายได้ ต้องเรียบทำความเพียรฝึกสมาธิภาวนารูปที่สองบอกว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวก็ตายละรูปที่สามบอกว่าเราอาจจะอยู่ได้กึ่งวันครึ่งวันเดี๋ยวก็ตายรูปที่สี่บอกว่าช่วงขณะฉันอาหารมื้อหนึ่งฉันเสร็จเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำอาจจะไม่กลับออกมาก็ได้ก็ตายรูปที่ห้าบอกว่าช่วงขณะฉันอาหารครึ่งมือ้อนี่นะั่รับประทานคารวงเข้ า, ขาอยู่ดีๆเนี่ย อาจจะตายล้มพับลงไปคาวงข้าวก็ได้แล้วรูปที่หกก็บอกว่าช่วขณะฉันข้าวสี่ห้าคำยังไม่ทันดื่มน้ําเลยตายพระพุทธองค์บอกว่ารูปที่ 1, หนึ่งถึงรูปที่หกเนี่ยถึงแม้จะเจริญมรรคสติแต่ก็นับว่ายังเป็นการเจริญมรรคสติอย่างเบาๆยังประมาทอยู่รูปที่เจ็ดที่บอกว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันข้าวหนึ่งคำ แล้ชีวิตอาจจะล่วงรับดับผันไปก็ได้ฉันเข้าไปด้วยเจริญมรณสติไปด้วยอย่างนี้นี่เรียกว่าใช้ได้แล้วไม่ประมาททุกที่แปลเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงช่วขกะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกนี่นับว่าเป็นยอดเจริญมรณสติอย่างนี้นี่จริงใช้ได้ผยอมลองคิดดูสิว่า หนึ่งคืนหนึ่งวันเจริญมรรณสติครั้งหนึ่งวันหนึ่งเจริญมรณสติครั้งหนึ่งครึ่งวันเจริญมรณสติครั้งหนึ่งฉันอาหารมื้อหน 1, ึ่งเจริญมรรณสติครั้งหนึ่งฉันอาหารกึ่งมื้อเจริญมรรณสติครั้งหน 4, 5, 5ึ่งฉันข้าวสี่ห้าคำเจริญมรณสติครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ยังตรัสบอกว่าประมาทและปุถุชนทั้งหลายซึ่งร้อยวันพันปีไม่นึกถึงความตายเลยเนี่ยจะประมาทขนาดไหน คนไทยที่หนักหนาสาหัสมากนะเรื่ประมาทเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เพิ่งผ่านไปเนี่ยบางคนบอกเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ธารมภาพเรียกว่าเป็นเทศกาล ร, รวมกันไปตายหมู่ปีหนึ่งตายเพราะปีใหม่เนี่ยอย่าง น, น้อย 400, 500สี่ร้อยห้าร้อยศพนะคิดดูนะตายทุกปีประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไม่มีบ้านไหนเมืองไหนปีเทศกาลตายหมู่มากเท่าประเทศไทยนะ เพราะอะไรก็เพราะว่าตกอยู่ในความประมาทคนจะมาลากลับบ้านสงการพระบอกอย่าขับรถประมาทนะโยมเดี๋ยวเจออุบัติเหตุเกิดพลาดท่าเสียทีตายขึ้นมาจะว่ายังไงถ้ากำลังสอนให้เจริญมรณสตินะโยมมองหน้าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อปากเสียพูดเรื่องตายนี่เขาจะให้ท ร, รมะไม่รับนะไม่พูด ลองดูสิไปงานที่มีคนเยอะๆ เ, เนี่ยใครสักคนหนึ่งคุยเรื่องตายขึ้นมานะถูกมองหัวจรวดเท้าเลยในฐานะพูดไม่รู้จักกาละเหตุคนไทยถือในะเรื่องตายเนี่ยไม่ไปงานศพอย่าพูดเรื่องตายแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องความตายนี้มันต้องพูด พูดทุกวันยังน้อยไปท่านบอกว่าทุกลมหายใจเข้าออกต้องพูดเลยแต่ในเมืองไทยนี่ใครพูดเรื่องตายไม่ได้ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ความอวนไม่ควรพูดขึ้นมาเนี่เหมือนเป็นตัวประหลาดเป็นแกะดำในถุงแกะขาวแท้ที่จริงแล้วเรากำลังปฏิบัติธรรมอย่างติดพ้าดคลาเคลื่อนขนานใหญ่เลยถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยเรื่องตายมันควรจะพูดทุกวัน ทุกวันเลยหาโอกาสพูดหลังเคารพธงชาติเระเตือนกันไว้ระวังให้ดีนะวันนี้อาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายที่ยังไม่ได้ทำให้รีบทำเอารักใครถ้ายังไม่ได้บอกรักให้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่ของเรายังอยู่ถ้าไม่ได้ัวนนิบัติบารุงให้รีบกลับไปดูแลท่านพูดหลังเคารพธงชาติทุกวันนะคนไทยจะดีขึ้น เมืองไทยจะสะอาดขึ้นเพราะอะไรเมื่อพูดเรื่องความตายเนี่ยรัดตัวกลัวตายจะทําให้ละอายชั่วรัดตัวกลัวตายละอายชั่วพอละอายชั่วก็เลิกทําบาปเท่านั้นเองในเมืองไทยในไม่ส่งเสริมให้พูดเรื่องตายในวัฒนธรรมพุทธที่แท้จริงเรื่องความตายต้องพูดกันบ่อยๆอย่างที่อามาภาพยกเนื้อหาของพระสูตรมาเล่าให้ฟัง ทีนี้ถามต่อไปว่าในการเจริญมรณสติเราจะเจริญอย่างไรจรึงจะมีประสิทธิภาพอาตมภาพจะให้หลักในการเจริญมรณสติเป็นการขยายความจากพระสูตรนี้ออกไปอีกทีหนึ่งแต่ก่อนที่จะเจริญมรณสติต้องมาทําความเข้าใจความหมายก่อนมรณสติแปลว่าอย่างไรมรณสตินี้มาจากคำสองคาคือคำว่ามรณา กับคำว่าสติมรณะก็แปลว่าความตายสติความระลึกถึงสองคำนี้มาสุนที่กันเป็นมรณสติหรือมาสมาดกันมรณะกับสตินี้สมาดกันกลายเป็นมรณสติ ความหมายตามตัวอักษรก็คือการระลึกถึงความตายก่อนจะเจริญมรณสติต้องเจาะความหมายให้ชัดก่อนอะไรคือมรณะหรืออะไรคือความตายเร็วๆนี้มีข่าวคลุโครมากตามหน้านั้นถือพิมพ์หรือตามโทรทัศน์ที่บอกว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งนอนป่วยมาเป็นสิบปีแล้วญาติคนหนึ่ง อยากให้ถอดสายออกซิเจนญาติอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากให้ถอดแพทย์ไม่รู้จะทำยังไงเกิดกรณีที่เรียกว่าการุณยฆาตคือฝ่ายที่อยากให้ถอดสายออกซิเจนหนึ่งก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยช่วยไม่ได้่วยเ็ไม่ได้มาเป็นสิบปีอยู่ได้เพราะว่ามีเครื่องช่วยหายใจดังนั้นถอดเครื่องช่วยหายใจเดื๋ยให้เขาไปสบาย จะได้ไม่เป็นภาระแก่ญติได้เพราะรูปร่างสังขารใช้ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์ทีนี้ยาติไฟหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เราไม่มีจิตไปตัดสินให้ใครตายหรือให้ใครอยู่ใช่ไหมความเป็นความตายมันเป็นเรื่องของปจเจกบุคคลญาติทั้งหลายจะไปนั่งตัดสินได้ไงว่าให้คนนั้นตายให้คนนี้อยู่สุดท้ายก็สู้กันถึงโรงถึงศาลในที่สุดญาติไฟหนึ่งก็ชนะ อนุญาตให้ในการถอดสายออกซิเจนแล้วคนไข้คนนั้นก็ตายญาติไปหนึ่งบอกว่าที่ตายไม่ไม่ใช่ตายเพราะพวกเราช่วยกันฆ่านะเขาตายเพราะเขาตายไปนานแล้วแต่มันยังอยู่ได้เพราะอะไรวิทยาศาสตร์ก็ยึงเอาไว้ระบบการกระตุ้นหัวใจให้ทํางานมันก็ยึงเอาไว้เรื่องนี้จะเป็นปัญหาในศตวรรษที่20เขาเรียกว่าปัญหาชีวจริยธรรมชีวจริยธรรมคือ คนที่ควรตายควรจะได้ตายหรือไม่ควรจะให้ตายอย่างกรณีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกคมขืนกระทาชําราแล้วพลาดท่ า, ทาตั้งท้องขึ้นมาเด็กหญิงหรือเด็กผู้หญิงเด็กสาวคนนี้อยากจะเอาลูกที่เกิดจากการถูกกระทาชํารานี้ออกด้วยการทำแท้งเพราะไม่ได้เกิดจากความรักไปถามพระพระบอกไม่ได้ ทำแท้งก็เท่ากับฆ่าคนไปถามหมอหมออนุญาตเพราหมอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะมีลูกแต่มันเป็นอุบัติเหตุและเป็นอุบัติเหตุที่นํามาซึ่งความเศร้าเสียใจของผู้เป็นแม่ทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์อย่างนี้เราจึงควรจะถอนสลักระเบิดแห่งความเจ็บปวดซึ่งมากลายเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขยอยู่ในท้องของผู้หญิงคนนี้ออกไปซะเธอจะได้ลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ถ้าเราฟังพระเด็กผู้หญิงคนนี้ทำแท้งไม่ได้ถ้าฟังหมออาจจะทำได้นักจิตวิทยาก็อนุญาตเขาอยากให้เธอลืมความเจ็บปวดแล้วเด็กคนนั้นล่ะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ถามว่าเขาควรจะตายไหมปัญหาอย่างนี้ตอบยากมากฟังพระนี่ให้ตายไม่ได้ เทากับค่าคนถ้าท่าแนะนําให้ฆ่าก็ปราชิกแนะนําให้ทําแทนก็ประชิกฟังหมอหมออาจจะอนุญาตก็ได้บางท่านอาจจะไม่อนุญาตก็ได้บางนั้งจิตวิทยานักจิตวิทยาอนุญาตเร า, านนะเราถามคนนั้นเราถามคนนี้แต่เราลืมถามเด็กในท้องในฐานะเป็นเจ้าของชีวิตควรจะให้เขาตายไหมปัญหาซึ่งวิ่นิจฉัยยากๆ อ, อย่างนี้แหละคือชีวะจรยิยธรรม เป็นปัญหาของศตรวรรษที่ยีสิบนับวันจะซับซ้อนมากขึ้นทีนี้เรื่องความเป็นความตายทางโลกมันเป็นอย่างนั้นกําลังเป็นปัญหาเรามาดูความเป็นความตายในทางธรรมซึ่งใกล้ตัวเราเข้ามาที่บอกว่าตายหรือมอร์นาณ์นั้นถามว่าเอาอาการไหนจึงเรียกว่าตายในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คืออาการที่สมองตายเส้นก้างสมองนิ่งสนิทตาย ทีนี้เราไปดูในทางธรรมท่านบอกว่าที่ว่ตายนั้นคืออะไรท่านบอกว่าจุตติจิตหรือจิตดวงสุดท้ายเคลื่อนจากพบแล้วมีปฏิสนธิจิตมารองรับอาการที่จิติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายเคลื่อนจากพบ ป, ปัจจุบันเนี่ยแล้วอินทรีย์คือชีวิตมันขาดตอนลงท่านเรียกว่าสันตติขาดนั่นคือตาย ตามปกติจิตคนเรานี้จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดกดับตลอดเวลาเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมันต่อเนื่องกันเหมือนสายน้ำไหลตือเนื่องกันเหมือนแสงไฟกระพริบอยู่ในหลอดไฟอย่างในหลอดไฟนี่เราจะเห็นว่ามันมีแสงไฟออกมาจริงๆแสงไฟไม่เคยมีมันเีนแต่กระแสไฟ กระแสไฟที่มันไหลต่อเนื่องกันมาพริบๆๆๆๆๆอย่างรวดเร็วรวมกันเป็นแสงไฟที่สา่งส่งออกมานี่เราเรียกว่าจากกระแสไฟสู่แสงไฟดวงจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันเกิดดับเหมือนกระแสไฟเกิดดับแต่จิตที่เกิดดับเกิดดับอย่างต่อเนื่องรวดเร็วจนเราแทบจะรู้ไม่ทันเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายเราก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่พอจิต ด, ดวงสุดท้ายที่เรียกว่าจิตดสติจิตนี่พอมันดับปุ๊บมันขาดการสื่อต่อล้วแล้วลมันกลายไปเป็นปฏิสนธิจิตคือจิตที่จะเกิดในพบใหม่ถ้าจิต ด, ดวงสุดท้ายดับลงอย่างนี้นี่เรียกว่าตายได้เนี่ยคือมอรณะในความหมายทางธรรมหมายเอาอาการที่มันจิต ด, ดับลงไปถ้าจิต ด, ดับลงไปแล้วถึงรูปร่างสังขารจะสวยงามยังไงก็จะไม่มีความหมาย จะเป็นนางงานจากบาลนางงาก็ตามนะ่ะถ้าจุดตีจิตขึ้นออกจากร่างแล้วก็เป็นศพเลยหมดสภาพนี่ความตายในทางธรรมหรือความตายในทางจิตสําคัญมากเป็นตัวชีว้วัดรูปร่างสังขารว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จะมีสเสน่ห์หรือจะหมดสเสน่ห์อกต่อไปนะเพราะถ้าจิตไม่อยู่แล้วเนี่ยจะสวยปานหยาดฟ้ามาดินก็หมดสภาพเลยนะดังนั้นจิตจึงสําคัญมากๆความตายในทางธรรมวัดกันที่ความตายในทางจิต ถ้าจิตไม่อยู่ในรูปร่างสังขารแล้วนี้รูปร่างสังขารนั้นหมดประโยชน์ท่านใช้คําว่านิรัตถังวะกะลิงคตังแปลว่าอะไรเหมือนท่อนไม้ที่จูกทิ้งไม่มีประโยชน์ทีนี้เรารู้แล้วว่านีิยามของความตายคือจุดตีจิตดวงสุดท้ายดับลงเพ่ากับตายทีนี้ก็เป็นดูลักษณะแห่งความตายหรือลักษณะแห่งมรณะคนเราตายเนี่ยมีลักษณะนะ เรียกว่ามีลีลาในการตายไม่ใช่จู่ๆตายแล้วตายเลยนะมันมีที่มาบางคนตายแล้วเนี่ยอ้ยมีคนร้องโหยมร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลรวบรวมทรัพย์สินเงินทองลดทงให้ครึ่งเสาสร้างอนุสาวรีย์ให้เอาดอกไม้ไปวางกองเป็นภูเขาเหล่ากาแต่บางคนตายลงนะมีคนเกิดมันน่าจะตายเร็วกว่านี้สักสิบปี บางคนตายแล้วลูกหลานอยากสร้างอนุสาวรีย์ให้มีคนเดินขบวนประท้วงส้างให้มันทำไหมเห็นหั้มบางคนเกิดขึ้นดำรงอยู่ตายโลกไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยแต่เขาก็เคยมีชีวิตยอยู่บนโลกคุณยมดูสิคนคนหนึ่งตายอย่างมีระเบิดของชาติคนทั้งชาติลดทงให้เครื่องสาวเป็นการแสดงความคารวะอย่างสุดซึงสูงเกียรติ ตายแล้วสถาปน า, าอนุสรสถานไว้ให้เคารพรำลึกนึกถึงเจริญรอยตาคนหนึ่งตายมีคนาสาดแห่งเผาพลิกเผาเกลือถอนหายใจด้วยความโล่งอกว่าแผ่นดินนี้สูงขึ้นอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นดำรงอยู่ตายไม่มีใครรู้จักลีลาแห่งการตายในทางโลกเป็นอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายจะเลือกลีลาในการตายอย่างไร ตายอย่างแรกเขาเรียกว่าตายอย่างบุรุษอาชาในเกิดมาทำประโยชน์ให้กับโลกแล้วตายโลกไม่ลืมตายอย่างที่สองเกิดมาทำร้ายโลกแล้วตายโลกสับแช่งตายอย่างที่สามเกิดมาแล้วความชักร์ไม่มีความดีไม่ปรากฏตายไม่น่าเกิดเลยแต่คนสามประเภทนี้ก็มีอยู่ในโลกอย่างนี้แหละ ดังนั้นคุณโยมทั้งหลายเลือกวิธีที่จะตายให้ตัวเองตายอย่างไรจึงจะเป็นการตายที่มีคุณค่านี่เรียกว่าลีลาในการตายอย่างลกโล ก, โลกทีนี้ลีลาในการตายอย่างธรรมะหรือตายในทางธรรมเนี่ยฉันบอกว่าคนเราจะตายเนี่ยมีลักษณะสองอย่างหนึ่งกาลละมรณะตายในเวลาอันควรสองอากาละมรณะ ตายในเวลาอันไม่สมควรการลมรณะคือตายในเวลาอันควรนั้นเป็นอย่างไรท่านบอกว่าตายเพราะสิ้นบุญหนึ่งตายเพราะสิ้นบุญสองตายเพราะสิ้นอายุสามตายเพราะสิ้นทั้งบุญสิ้นทั้งอายุตายเพราะสิ้นบุญเป็นอย่างไร เป็นคนที่สุขภาพดีครอบครัวดีฐานะการเงินมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่รุ่งขึ้นลูกเมียไปเรียกมาฐานเข้าด้วยกันปรากฏว่าหลับตายแต่เมื่อคือนนี่เรียกว่าสิ้นบนุญหรือ นั่งฟังธรรมะอยู่ดีๆเนี่ยปุ๊บคาโต๊ะลงไปตายหรือนั่งรับประทานอาหารอยู่ดีๆท่ามกลางลูกหลานห้อมล้อมทุกอย่างดูดีหมดก็สำลักกับข้าวตายตายท่ามกลางสิ่งรอบตัวที่สมบูรณ์พูนสุขอย่างนี้เรียกว่าตายพระสิ้นบนุญ คือกรรมดีดีที่ทําแล้วส่งให้เรามาเสวยบุญมาในปัจจุบันนะ่ะมันส่งมามันสุดอะไรส่งเมื่อเราคว้าก็อหินขึ้นไปบนท้องฟ้าพอสิ้นแรงเหวี่ยเห็นตกลงมานี่เรียกว่าตายเพราสิ้นบนแรงเหวี่ยงมันสิ้นมันก็จบ ก, ก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรจะเอาไว้อยู่โยนก็อหินลงนะ้ำไม่ว่าก้อนห็นก็นนะั้นจะเป็นก้อนหินขนาดเครื่องก้อนเท่ารถตู้คันหนึ่ง หรือก้อนเท่าก้อนขวดนิดเดียวแต่หินทุกก้อนเมื่อเราโยนลงน้ำไม่มีก้อนไหนที่ลอยจมหมดจริงหรือไม่จริงธรรมชาติของหินโยนลงน้ำจมธรรมชาติของควันถ้าจุดแล้วลอยขึ้นสู่ฟ้าคุณโยมเคเห็นควันลอยลงสู่ในเดนไมไม่มีนะเช่นเดียวกันบุญที่ส่งให้คนเรามาเกิดนั้นตราบใดที่แรงขับของบุญเนี่ยยังมีอยู่ ใครทำอะไรไม่ได้เหมือนลูกปิงปองอะ่ะคนมีบุญคุณโยมาลูกปิงปองนะใส่ในถังน้ําแล้วกดให้มันจมนะกดเลยลอยมือเมื่อไหร่มันก็ฟูไม่มีทางจมเช่นเดียวกันคนที่บุญนําผานี้จะมีความสุขความเจริญไม่ว่าจะมีประสาทความหนาวยังไงเขาก็ฝ่าไปของเขาได้แต่วันไหนก็ตามที่บุญนั้นหมด แรงเบี่ยงอยู่บนบันลังก็ถูกไล่ลงอยู่บนเก้าอี้ในธรรมเนียบรัฐบาลก็ถูกไล่ลงนอนอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์พูนสุข ก, ก็ตายบนเตียงนอนได้อันนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญบุญหมดแรงส่งก็ตายตายท่ามกลางความสุขตายท่ามกลางความพร้อมตายท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างกํลาลังไปได้ดี นี้เรียกว่าตายพระสิ้นบุตรมีตัวอย่างมากมายเหลือเกินแทบไม่ต้องยกขึ้นมาเล่าเลยก็ยังได้สองตายพระสิ้นอายุตายพระสิ้นอายุเป็นอย่างไรอายุในปัจจุบันนี้พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ว่าคนเราเนี่ยคือพระพุทธองค์เองเนี่ยเสด็จอุบัติมาในยุคที่มนุษย์จะมีอายุได้อย่างมากที่สุดร้อยปีเกินไปกว่า น, นี้ก็มีบ้างแต่เล็กน้อยเหลือเกิน ร้อยปีนี้เป็นเขตกําหนดประมาณอายุของคนเราแต่ในยุคสมัยพุทธกาลมีคนอายุร้อยี่สิบหลายคนเช่นพระมหากัสปะอายุร้อยี่สิบปีพระอนนท์อายุร้อยี่สิบปีนางวิสาขาอายุร้อยี่สิบปีดูเหมือนพระทั้พระมรณะบุตรก็จะอายุร้อยี่สิบปีก็เรียกว่าเกินร้อยไปยี่สิบปีนี่คือมากสุดแล้วคนที่ตายในเขตกําหนดอายุประมาณร้อยปี บวกลบไม่มันมากไม่น้อยไปกว่านั้นอาจจะเก้าสิบตายเก้าสิบห้าตายเก้าสิบเก้าตายร้อยี่ตายร้อยห้าตายร้อยหกตายร้อยี่สิบตายอย่างนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุคืออยู่มาจนรูปร่างสังขารมันถูกใช้งานจนสึกหรอหมดแล้วเซลลทุกเซลล์มันเก่ามันคร่ำอยู่ต่อไม่ไหว ทานอาหารลงไปกระเพาะขี้เกียจย่อยแล้วย่อยมาเป็นร้อยปีไม่ย่อยแล้วปล่อยให้เรอออกมาซะสมองมันจำอะไรมาเป็นร้อยปีมันขี้เกียจจำแนละ้วเส้นเลือดแตกนะหูตาป้าฟาฟงใช้มาเป็นร้อยปีารมานมันเลิกเกินหมดอายุการใช้งานสังขารต่างๆเซลล์ต่างๆนี้หมดสภาพถูกใช้งานมาหนักหนาสหัสใครไม่ต้องไปทำอะไรนะ ถึงเวลาเนี่ยมันพร้อมใจกันเลิกประชุมตายสังขารเลิกประชุมธาตุสี่เลิกประชุมตายนี่เรียกว่าตายเพราะว่าสิ้นอายุทีนี้ต่อไปตายเพราะสิ้นทั้งสองอย่างสิ้นบุญหมายความว่าความสุขความพร้อมสรรพต่างๆเราก็เด่เสวยมาแล้วอายุเราก็มากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสองอย่างนี้มาผสมกัน ลูกหลานก็พร้อมหน้าพร้อมตาคุณปู่คุณย่าก็สุขภาพดีอายุก็ยืนอยู่มาได้จนถึงเก้าสิบจนถึงร้อยแล้วก็ล่วงลับ ด, ดับขันไปตามวันวัยอันสมควรลูกหลานไม่เศร้าไม่โศกเพราะอะไรปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอยู่กับเราก็มีความสุขอายุก็ยืนท่านก็แตกดับไปตามธรรมดาของสังขาร ลูกหลานไม่โศกไม่เศร้าเพราะอะไรเข้าใจโลกแล้วท่านอยู่มานานก็ปล่อยให้ตายไปนี่เรียกว่าตายพระสิ้นทั้งบนสิ้นทั้งอาลิ้วมีเยอะแยะที่นี้เป็นอาการละมรณะตายในการอันไม่สมควรเป็นอย่างไรท่านบอกว่าอาการละมรณะในความตายในการอันไม่สมควรเกิดขึ้นเพราะกรรมมาตัดกรอนกรรมอะไรที่มาตัดกร่อน กรรมที่เราได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบีย น, ยนสัพชี ส, พสัตสัตทั้งหลายให้เดือนเนื้อร้อนใจอาการและมรณะสังเกตได้ง่ายมากคือเป็นความตายที่เกิดขึ้นปุบ ป, ปับปัจจุบันทันด่วนเรียกเป็นภาษาไทยๆก็คืออุบัติเหตุตายเพราะอุบัติเหตุอาการและมรณะกรรมที่จะเข้ามาตัดรอนจะเห็นชัดตอนไหนตอนที่เราประมาท สังเกิดนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เราประมาทคุณโยมเคยคิดไหมว่มารถชนกันช่วงไหนมากที่สุดไม่ใช่ทางโค้งนะแต่เกิดบนทางเรียบทางตรงทางสะดวกบางครั้งทางด่วนเพราะอะไรไม่ใช่เพราะหนทางมันดีเกินไป แต่พ็เราวางใจประมาทพอไปทางโค้งนะหน้าผาสูงชันนะโอโหคนขับรถนี่แทบจะเจริญสติกับพวงมาลัยรถไม่เคยตกขับยังดีแต่พอไปถึงทางตรงเนี่ยรถผ้า ป, ป่านี่ไปเทกระจัดทุกปีทั้งแล้วครั้งเล่าเราะอะไรมันขับสบายขับไปฟังเพลงไปคุยโทรศัพท์ไป อุบัติเหตุจึงเกิดบนทางแล้วฉันใดก็ดีการใช้ชีวิตของเราเราจะผิดพลาดตอนไหนผิดพลาดตอนที่เราคิดว่าเราดีอยู่แล้วท่า น, นอุบัติเหตุของชีวิตเกิดขึ้นอุย๊ยป้าไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้ลูกหลานมันเกิดเลี้ยงดีบ้านที่อยู่อาศัยดีทุกอย่างห้องหับที่อยู่ที่กิน ลูกหลานมันตรนนี้บัตรพักวีถึงเวลาอาบน้ำมีน้ำอุ่นน้ำร้อนวันหนึ่งลง้มหัวฟาดอ่างอาบน้ำเห็นไหมตายเพราะความสมบูรณ์นี่สมาทเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำกลับออกมาล้มหัวฟาดพื้นตายเดินอยู่บนธรมดีดีเนี่ย เยียบพรมผ้าก็ล้มก็ตายเห็นไหมเหตุแห่งความตายมันเกิดขึ้นง่ายๆ่ายนิดเดียวบางครั้งนั่งจัดกระดาษอยู่ดีๆนั่งเปิดหนังสือพิมานกระดาษหนังสือพิมพ์บาดมือเลือดไหลทิศดูสิเหตุแห่งความตายเนี่ยมันง่ายเหลือเกินในเวลามันจะเกิดชีวิตนี้ท่านจึงบอกว่าเปราะบางยิ่งกว่าแก้วบางเบายิ่งกว่าขนนก เราบางยิ่งกว่าเก้่ไวหมายความว่าตกเมื่อไรบางเบายิ่งกว่าคนนกหมายความว่าพร้อมที่จะปิดเดียวไปจากตัวเราผู้เป็นเจ้าของเมือ่อดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตเปรียบเหมือนน้ำค้างยามรุ่งอรุณ น, น้ำค้างยามรุ่งอรุณเ้าตื่นขึ้นมาลุกไปเดินจงกรมเห็นน้ำค้างใสขาวอยู่บนยอดหญ้าเดินกลับมาอีกรอบไม่เหลือแล้ว เหลือแต่ยอดย้าชีวิตเหมือนน้ำที่เดือดปุดปุดอยู่ในหม้อต้มนะ้คุณโยมเอากระทมาจะทอดปลาทูเอาน้าหยดลงไปถ้าหม้อมันร้อนก็จะเห็นน้ำเดือดปุดปุดเป็นฟองเป็นฝ อ, อยแต่แป๊บเดียวฟองฝอยหายไปชีวิตก็สั้นแบบนั้นบางครั้งก็รัดว่าชีวิตเหมือนพายกแดด เต้นเราขับรถไปเหมือนกับมีทะเลขวางอยู่ข้างหน้าเป็นพยับแดดพลิบพลับพลิบผ่าวขับไปใกล้ๆไม่มีตัวตนซะแล้วชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นความหนุ่มความสาวของเราเราอยากครอบครองมันเพอสามปีนะักปีนกาขึ้นซะแล้วเห็นไหมเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าพยับแดดบางครั้งชีวิตเหมือนรอยขีดบนผืนน้าเป็นอย่างไร กูโยมไปที่น้ำนะเอาไม้ขี่ลงบนน้ำคลืดเห็นเป็นเส้นเป็นแนวยกไม้ขึ้นมาน้ำกลืนกันเรียบสนิทไม่มีรอยให้เห็นชีวิตมันสั้นอย่างนั้นจะทำอะไรตร้องเรียบาร่ะแป๊บเดียวเท่านั้นนะมันหายไปเลยเมื่อชีวิตมันสั้นอย่างนี้นะความตายมันจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาการละมรณาเนียเกิดขึ้นเพราะกรรมตัด่อนกรรมจะมาตัด้อนเมื่อไรมีสัญญาณร่วงหน้าไหมบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีในกรณีที่มีเช่นเป็นอะไรลูกหลานอาจจะฝันว่าฝันกรามร่วงฝันสองข้างเนี่ยหักมั่นมากอาจจะมาภาพฝันว่ากรามหักยมแม่เสีย ฝันว่าฟันด้านหน้าอดออกมาทิ้งโยมพี่เสียวันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสมากรุงเทพแล้วเล่าให้ฟังว่าฝันว่าฟันกรามหักโยมแม่ท่านป่วยกระเสาะกระแสะอัตามาภาพบอกว่าหลวงพ่อครับทําใจไว้เลยกลับไปบ้านอาทิตย์เดียวเท่านั้นเสียถามว่าฟันกรามมันเกี่ยวข้องกับอะไรเตยถามคนจีนเขาบอกว่าในภาษาจีน่ะคําว่ากรามว่าเขี่ยวเนี่ยมันมาถึงแม่ มาถึงพ่อนี่จึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ามีบุพพานิมิตมาเตือนบุพพนิมิตคือมีเหตุล่วงหน้าบางครั้งก็มีกรรมนิมิตคือกรรมแสดงให้เห็นเลยว่าจะมีการพัดท่าเกิดขึ้นของคนนั้นเป็นที่รักของเราเช่นอับราฮัมลินคอนเนี่ยอดีตประธานาธิบดีที่คนอเมริกันรักที่สุดคนหนึ่งก่อนที่จะถูกลับยิงในโรงละคร คื่วันหนึ่งท่านฝันว่าท่านเดินลงมาจากชั้นสามเดินลงมาชั้นล่างเห็นลงศพของตัวเองตั้งอยู่ที่ห้องโถงท่านเข้าไปดูใกล้ๆพอไปอ่านชื่อคนที่อยู่ในรูปก็ปรากฏว่าเป็นชื่อของตัวเองรูปที่ตั้งอยู่หน้าศพเป็นรูปของท่านเองตื่นเช้าขึ้นมานั่งทานกาแฟกับลูกกับพันธยาท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนท่านฝันว่ามีคนจับศพในบ้าน สพนั้นคือสบของฉันเองเย็นวันนั้นท่านไปดูละครที่โรงละครตัวที่ไม่ไม่มีใครคาดคิดมือปือนโผลมาจากไหนก็ไม่รู้จ่อยิงท่านตายคาเก้าอี้นี้เรียกว่าความฝันมาบอกก่อนหรือคุณสเศรษฐบุตรมหารเล็กที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่หกทรงโปรดมากก่อนจะตายก็มาเข้าฝัน มาเข้าฝันลูกเข้าฝันภรรยาเข้าฝันเพื่อนเหมือนกันคือเพื่อนฝันถึงว่าอย่างนั้นเพื่อนฝันถึงแล้วอยู่มาไม่นานก็มีเหตุให้มีอันเป็นไปนี่เรียกว่ามีนิมิตมาบอกถ้าไม่นิมิตมาบอกก็เป็นกรรมมาบอกท่านเรียกว่ากรรมนิมิตหรือบางทีก็คตินิมิตคือแสดงคติให้เห็นก่อนว่าจะเป็นยังไงจะไปยังไงเช่น อยู่เฉยๆกันนึกอยากรัประทานอาหารที่มันมีส่วนผสมของเลือดของเนื้อหรือคนที่ก่าสัตว์ตัดชีวิตถึงนึกถึงแต่หมูหมากาไก่บาน ท, ทีคือบโบกคืมใจร้องออกมาเป็นเสียงหมูหมากาไก่ลูกหลานน่าไม่ทันสังเกตนี้เรียกว่าก็ตินิมิตมาบอกว่าจะไปทางนั้นดังนั้นคนเราจะตายก็จะมีกรร ม, มันนิมิต มีกรรมบางสิ่งเดิม อ, อย่างที่ทำเอาไว้นะมากระตุ้นในทางใดทางหนึ่งทั้งทางตรงทา ง, ทา ง, ทางอ้อมสองก็คือมีบุพนิมิตก็คือมีเหตุล่วงหน้าเช่นสามีไปรบจะตายในรูปที่แขวนไว้อยู่ดีีดดตกหัลงมามีอยู่ทั่ววัฒนธรรมทั่วโลกในหนังต่างๆนะคุณโดมไปดูคนรักจะตายจากกันจะมเีเหตุเหตุเ ห, เหล่านี้ล้วนมีที่มาทั้งหมดแล้วต่อไปก็คตินิมิตคตินิมิตคือพระปีจะไปเกิดมาสแสดงให้เห็น ก็เป็นธรรมดากรรมตัดรอนหรืออาการลมรณะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเป็นเหตุที่คนอื่นทําให้ก็เรานั่นแหละทํามนุษย์เก็บเจียวในสิ่งที่ตัวเองหว่านเสมออย่าไปคิดว่าคนอื่นมารังแกฉันเลยก็ราฉันทําเหตุกว่าไว้ทั้งหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอบประสบในชีวิตนี้เชื่อมโยงมาถึงตัวเราได้ทั้งหมดกรรมที่เราทําไว้นั่นแหละจึงมาตัดรอนเช่นบางคนนี่ก่อนบวช กำลังเป็นเจ้าหน้าทีคอยมพ่อเน่เวียนรอบโบสถ์อยู่ดีๆโบสห น, นี้ก็ดีผู้ร้ายตามมาถึงก็ยิงตายตรงนั้นเลยตายาั้งที่สวมชุดนาคแะ้บางคนกำลังจะเดินเข้าโบสถ์อยู่ดีๆเนี่ยกรรมมาตัดรอนก้าวข้ามธรณีประตูปุ๊บหัวใจวายตายข้าบางรูปได้รับพระราชทานโปรดก้าวสถาปนาเป็นพระราชาคณะ เตรียมข้าเตรียมของทุกอย่างพวกนี้จะจับรถจากต่างจังหวัดเข้ามารับพระราชทานท่านยศที่กรุงเทพคืนนั้นบรณาภาพอันนี้มีตัวอย่างเยอะเหลือเกิน ท, กทุกทุกปีจะมีข่าวในกรณีอย่างนี้ตลอดนะเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบงังกรรมมันมาตัดรอนนั่นเองหรือเด็กบางคนเรียนจบปริญญาแล้ว ร, รับ ผลการเรียนที่ได้รับกาสรสืบมาเรียบร้อยแล้วยังไม่ส่งถึงมือพ่อมือแม่แลแเลยแกล่าข้าร้านเหล้าฉลองตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งสางเลยพอไปฉลองได้ครึ่งหนึ่งทะเลาะกับโต๊ะข้างๆแทงกันดับไปปริญญาหรือผลการเรียนยังส่งไม่ถึงมือพ่อมือแม่และลยพ่อแม่ส่งเรียนมาสี่ปีดับขนาดบางคนไปรับปริญญาขับรถกลับบ้านทั้งครอบครัวรถไปจมน้ําตกลงข้างทางตายทั้งครอบครัว เรียกว่ากรรมดีที่ทำมาเน่ยยังไม่ได้เสวยผลเลยนะเพราะถึงที่ที่จะเสะวยผลปุ๊บดับนี่เรียกว่ากรรมตัดรอนชีวิตของคนเรากับความตายนี้มันห่างกันแค่ลมหายใจเข้าออกชีวิตฐานียบบนเส้นได้ของความไม่แน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าในการใช้ชีวิตจะต้องมีศิละปะในการใช้ชีวิตหนึ่งในศิละปะเหล่านั้นคือการเจริญมรณสติ เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเมื่อเราระลึกถึงความตายเราจะใช้ชีวิตทุกย่างเก้าของเราด้วยความระมัดระวังนี้เราไปรู้จักลักษณะแห่งมรณะเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาเหตุของมรณะเราก็รู้จักแล้วทีนี้เราก็ไปดูต่อไปที่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกอย่างนี้จะเจริญมรณะสติกันอย่างไร ในสมัยเด็ก่กรรมภาพเคยจำบทกวีได้บทหนึ่งไพเราะมากไม่ได้ตั้งใจท่องแต่มันก็จำเพราะมันเพเราะท่านบอกว่าคนไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวา่าใครที่คาดเห็นฆ่าไม่อาสันแม้นคนถึงที่ตายวายชีวนันไม้จิ้มฟันยิ่เหงือกยังเจือกตายถึงที่ตายขึ้นมาแล้วนะตายได้ทุกคนท่าก็เหมือนกันมีท่ารูปหนึ่งทางเอกสารปต่ท่านักเทศชื่อดัง แค่อยู่บนธรรมะดีๆพับลงมาจากธรรมะเลยนะตายคาธรรมะมถ้าระดับเจ้าคณะจังหวัดรูปหนึ่งแถว้าคเหนือเป็นประธานเปิดการประชุมยืนให้โอวาาเปิดการประชุมอยู่ดีๆเน่ะล้มพับคาโพเดียมตายทุมคนลองดูซิว่าเหตุแห่งการตายเนี่ยมันไว้หน้าอินหน้าพรหมไหมไม่มีกำลังทําความดีอยู่แท้ๆนะกรรมตะรอนมาถึงจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ ผมทำความดีกันขอให้นั่งสมาธิให้ฝาใจใจก่อนต่อรองได้ไหมไม่ได้กำลังทำความชั่วอยู่ด้วยความสนุกด้วยควา ม, มเมามันยังไม่ถึงที่สุดเลยตายไ ด, ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความตายนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนก้อนหินก้อนมือมาที่กลิ้งมาจากทั้งสี่ทิศมนุษย์เรานี้อยู่ตรงกลางคุณยลองนึกจินตนาการดูนะ เรายืนอยู่กลางสนามฟุตบอลมีก้อนหินก้อนเท่าบ้านสี่ก้อนกลิ้งมาจากทั้งสี่ทิศหินก้อนทั้งสี่ก้อนนั้นชื่อความตายคุณยมคิดดูด้วว่าเราจะรอดไหมมันกลิ้งมาทั้งสี่ทิศไม่มีทางพระพุทธเจ้าตรัสว่าความตายเหมือนก้อนหินที่กลิ้งมาทั้งสี่ทิศคอยบทสัตว์ให้ตายตกไปตามๆกัน เพื่อง้าความตายมนุษย์ไม่มีการต่อรองไม่มีการติดสินบนดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอัจเทวะาิจจะมาตัดฟังโกชันญามาระนังสุเวควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าความตายจะมาถึงในวันพรุง่งจัดไว้งดงามมาก ควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครจะร่วงรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันที่สู้เป็นวิธีเจริญมรรณาสติอย่างหนึ่งคุณโยมได้เรียนรู้เรื่องความตายลักษณะแห่งการตายสาเหตุแห่งการตายมาแล้วทีนี้มาดูี่ื่อวิธีเจริญมรณาสติในชีวิตประจำวันนั้นควรจะทำกันอย่างไรประการที่หนึ่งเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดา ในหลักสูตรการศึกษาทั่วโลกมีหลักสูตรไหนบ้างที่สอนเรื่องรับมือกับความตายมีไหมเศรษฐศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่ารัฐศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่านิติศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่าศึกษาศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่า อักษรศาสา์สอนรับมือกับความตายหรือเปล่าไม่มีมีก็แต่พุทธศาสนรเนี่ยสอนให้ใช้ชีวิตนะสอนให้เป็นอยู่นะแล้วสอนให้ตายด้วยอล้วหลักสูตรใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดคือตั้งแต่เกิดเลยพระพุทธเจ้าสอนเลยนะชาติติทุกขขาการเกิดก็เป็นทุกข์แต่ว่าเกิดเป็นก็เป็นสุขนะนี่พระพุทธเจ้าสอนนะตั้งแต่การเกิดเลยนะ ตอนอยู่จะอยู่ยังไงจะหาเงินยังไงจะปฏิสัมพันธ์ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงขอด้วยในทิศหกก่อนจะตายตายยังไงจึงจะสวยงามตายยังไงจึงจะสมกับที่เกิดมาเป็นคนตายยังไงจึงจะเป็นการตายก่อนตายพระพุทธเจ้าสอนหมดนี่เรียกว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกสอนตั้งแต่เกิดจนถึงตายอแต่ไม้จิมพันกันเรือรบ ขอประทานโทษแม้แต่การเข้าห้องน้ำพระพุทธเจ้าก็สอนสอนมารยาทในการเข้าห้องน้ำพระองค์บอกว่าต้องกระแอมก่อนเพื่อให้คนอยู่ข้างในในการเคี้ยวข้าวก็ทรงสอนว่าอย่าเคี้ยวจนแก้มตุยในการรับบาทก็ทรงสอนว่าสสอย่ามองดูบาทคนอื่นให้มองดูบาทของตัวเอง ในการคุยก็ทรงสอนว่าคุยแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่จริงเรื่องที่มีสาระประโยชน์เรื่องที่ประสานสมัชชีและคุยด้วยภาษาของผู้ที่เจริญแล้วคุณโยมดูที่ว่าเรื่องไหนที่ไม่ทรงสอนหลักสูตรการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดมีอยู่ในพระพุทธศาสนานี่แหละหนึ่งในสิ่งที่ทรงสอนคือสอนให้รับมือกับความตายอย่างมีสติ วิธีเจริญมรณาสติในชีวิตประจําวันหรือวิธีรับมือกับความตายอย่างนี้สติหนึ่งเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดามันต้องเรียนนะไม่เรียนไม่ได้คนไทยนี่มีนินนสยัยเรียนทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความตายไม่อยากเรียนไปงานศพทํำยังไงไปดูพวงห ร, รียดเยอะหรือไม่เยอะเขาบอกว่าคนไปงานศพมีหลายสาเหตุบางคนไปนั่งดูหน้า บางคนไปรอท่าดูรองเท้าคู่ไหนสวยๆวยหยิบบางคนไปรอทานข้าวกับเจ้าภาพเขาต้มอร่อยอร่อยเนี่ยเราไม่เห็นจต่จะทําชีวิตหรอกเราจึงไม่เคยเรียนรู้เรื่องความตายทั้งๆ ท, ที่ว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับความตายเกิดขึ้นตลอดเวลานะทั่วโลกไปดูข่าวสิข่าวนั่นหนึ่งก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเช็คข่าววันไหนไม่มีข่าวเรื่องคนตายขึ้น น, นหนึ่งบ้าง ไม่มีแต่เราก็ไม่ค่อยเรียนนะบางทีเปิดเจอพริกหนีเลยไม่อ่านอ่านหน้าบันเทิงก่อนดูก่อนดาราคนไหนไปควงกับใครดูก่อนว่า ก, กบเป็นยังไงอ้ําเป็นยังไงนี่ใช้ก่อนทุกทีเลยอะ่ะข่าวรถชนไม่อ่านคนฆาตกรรมไม่อ่านห้ามไปอ่านข่าวบันเทิงอ่านแล้วเป็นยังไงเลิดเลินจเนจริญใจมีความสุขบางทีจะมาคุยต่อในสภากาแฟ เธอว่าเขาเสริมหรือไม่เสริมทาร์เนี่ยดูนีไปยุ่งกับเขาอ่ะเขาจะเสริมหรือไม่เสริมมันก็เรื่องของเขาแล้วก็มาทะเลาะกันไม่ได้เจริญสติเลยยิ่งดูยิ่งหลงดังนั้นวิธีเจริญมรรสติประการแรกคือเราต้องเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดาเรียนยังไงจึงจะเรียนให้รู้ทันธรรมดาก็ต้องเข้าใจว่าธรรมดาของชีวิตมีอะไรบ้าง ธรรมดาหรือกฎ ก, ฎกรรติกามารยาทของชีวิตมนุษย์นี่อยู่ห้าอย่างหนึ่งคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอานจะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ไปได้สองคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอันจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความเจ็บไปได้ 3. ามคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอานจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความตายไปได้ สี่คนทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยมีความพัดพลากจากคนรักของรักเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพน้นความพัดพลากจากคนรักของรักไปได้และห้าคนทุกคนเกิดมาแล้วทำกรรมสิ่งใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทาาติรับผลของกรรมนั้นไม่มีใครล่วงพ้นกฎแห่งกรรมไปได้นี่คือธรรมดาของชีวิตเราจะต้องเรียนให้รู้ทันธรรมดาของชีวิต เพราะถ้าเราไม่เรียนให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดาของชีวิตเวลามันเกิดขึ้นช็อกช็อกซึ่งซึงหน้าทำใจไม่ได้ช็อกตามหลังติดๆเขาเรียกว่าฟเตอร์ช็อ k วันดีคืนดีนึกถึงความหลังทุกข์ซ้ำซากอีกในเรนว่ารรีเซเคิลทุกข์เห็นไหมคนไม่รู้ทำธรรมดานะ่มีแต่ทางเสียเสียค่างโง่ให้กีเลททุกแล้วทุกข์อีก ปุบ ป, ปับมีคนตายทุกบางคนจะเป็นลมเลยนะร้องงมร้องไห้หลังจากนั้นสามวันยังทำใจไม่ได้เกิอด After อักเก็ตช็อกปูะไม่ได้เลยฉันฟังเสียงขึ้นไม่ได้เลยใครพูดถึงทะเลไม่ได้เลยสืนามิเล่นงานมองทะเลก็มองไม่ได้พบกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ขึ้นท็อีกเลยตลอดชีวิตอุบัติเหตุทางเครื่องบินไม่นั่งเครื่องบินอีกเลยตลอดชีวิต นี่เรียกว่าทุกสิบปีคุณผู้ชายตายไปแล้วสิบปีทุกปีทำบุญระลึกถึงทุกครั้งที่ทำบุญระลึกถึงเป็นเวลาสิบกว่าปีวันนั้นคุณผู้หญิงร้องไห้ทำไม่ระลึกถึงคุณผู้ชายสมัยเคยอยู่ด้วยกันระลึกแล้วก็ร้องไห้นี่เรียกว่ารีไซเคิลทุกทุกมันจบไปแล้วนี่ไปรื้อขึ้นมาทุกอีก ทำเป็นประจําวันทําบุญกระโดดด้วยลูกหลานต้องเห็นคุณแม่ร้องไห้ถ้าคุณแม่ไม่ร้องผิดปกติคุณแม่เลยรักษาปกติเอาไว้ร้องให้ลูกหลานมันดูทุกปีนทุกเพเสียค่าโ ง, ง่เพราะอะไรไม่เรียนให้รู้ทันธรรมดาเขาบอกแล้วว่ามันธรรมดาเนี่ยมันจะแก่นะมีใครบ้างเกิดมาไม่แก่ บางคนแก่มานี่หนีความแก่แนละหนีสุดล่าฟ้าเขียวไม่ไปรอกโรงพยาบาลในเมืองไทยอะ่ะไปทําสัญญการรมต่างประเทศนูน่นทาในเมืองไทยเดี๋ยวเขาเล่ากันจะดึงที่ต่างประเทศพยายามหนีความแก่ด้วยมีดหมอหนีครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสาวพันปีสุดท้ายหนีพ้นไหมไม่พ้นต้องเสียตําแหน่งจัดเลี้ยบให้คนอื่นไปเราจะหนีความแก่ไม่พ้นนี่ ทุกคนต้องแก่นะดังนั้นถ้ามันแก่แล้วให้ยอมรับให้ยอมรับว่าอ๋อกประทมดานะเซลลต่งางๆมันใช้มานานมันก็แก่ก็เป็นอย่างนั้นสองเจ็บทุกคนจะเจ็บเป็นธรรมดามีใครบ้างในโลกนี้ไม่เจ็บเจ็บนี่มีความหมายหนึ่งว่าไขา้หรือป่วยเจ็บกายเห็นง่ายเจ็บใจเนี่ยเห็นยากก็ราะอะไรบางคนเจ็บใจแต่ไม่แสดงออก อยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่ชอบหน้ากันแต่ทํางานด้วยกันอี๋จ๋ากันตลอดนี่ทานข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันทํางานด้วยกันออกงานสังคมด้วยกันแต่รับหลังบอกไม่ชอบหินหน้านี่เรียกว่าอาการเจ็บใจบางครั้งมันเจ็บข้างในแต่มันไม่แสดงออกข้างนอกบางคนออกงานสังคมแต่งตัวปริง้งอย่างกับทู้เพชรทู้ทองขึ้นที่ แต่ข้างในหม่นมองและไม่เตรียมข้างนอกไซสเจ็บใจนี่ยเป็นความเจ็บที่ไม่มีควันเป็นไฟที่ไม่มีควันไฟสงขอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะหาคนที่ไม่เจ็บไม่ไข้ในทางกายเลยร้อยปีก็หาได้คนที่ไม่เคยไปโรงพยาบาลก็หาได้นะถ้าพระมารดบุตรไม่เคยรู้จักคำว่าป่วยเลยตั้งแต่เกิดมาจนตาย คนที่ร้อยปีไม่เจ็บไม่ไข้ก็มีอยู่แต่คนที่ร้อยปีเนี่ยไม่เคยป่วยใจเลยนะไม่เคยเจ็บใจไม่เคยทุกข์ใจไม่เคยอิจฉาไม่เคยริษยาไม่เคยโลภไม่เคยโกรธไม่เคยหลงไปหาโดยซึ่งมีไม่มีดังนั้นเรื่องป่วยใจนี้สําคัญที่สุดเราหลบหลีกกันยากมากในโลกนี้คนที่ไม่ป่วยใจมีอยู่สองประเภทเท่านั้น หนึ่งคนบ้าไม่ป่วยใจเลยเพราะมันพิกลเจริญจริงจริ ง, รงมันยิ่งกว่าป่วยนะก็ะมันป่วยไปทั้งกายทั้งใจแล้วใจเนี่ยไม่รับรู้แหละสามัญสำนึกมันสูญเสียมันบอกต้องป่วยไม่ป่วยไม่ต่างกันสองพระอรหันต์พระอรหรันต์เป็นคนที่ปลอดพ้นจากการป่วยทางใจอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเราก็ต้องเรียนให้รู้นะว่าอ๋อธรรมดาของคนนี่มันจะป่วยนะมันจะเจ็บนะคุณไปทำอะไรถ้ามันเจ็บก็ธรรมดาแต่คำว่าธรรมดานี่ไม่ได้ไหมายความว่าอยู่เฉยๆนะไม่ใช่หันเนื้ออยู่ดีๆนี่มันหั่นนิ้วไปครึ่งหนึ่งเอา้าธรรมดาล่อยเลือดไหล <c oughs> นีระหว่างโง <c oughs> ่แล้วเดินเราไปไปรถเฉียวลุกเจ็บขาลากเลยบอกว่าผมไม่เอาเรื่องหรอกมันธรรมดามีก็โง่นะ ไม่ใช่ยอมรับเขาได้ว่ายอมจำนนเรารู้ทำธรรมดาเพื่อให้ยอมรับแล้วเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้ยอมจำนนแล้วไม่สู้รู้ให้ทนธรรมดาเวลารูปร่างสังขารมันจะเจ็บจะไข้รู้ทันแล้วหาทางเยียวยารักษาซะอย่าอยู่เฉยๆแต่ถ้ามันเยียวยาไม่ไหวก็ปลงซะว่าอ๋อชีวิตถึงที่สุดก็ต้องป่วยต้องไข้โรคบางโรครักษาก็หายโรคบางโรคพยายามรักษายังไงก็ไม่หาย โรคบางโรคไม่รักษามันก็หายรักษามันก็ยิ่งหายเนี่ยธรรมดาชีวิตจะเป็นอย่างนี้ก็รู้ทันความเจ็บความไข้ปะก็ปล่อยก็วางบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยหนักนหนาสัหัสไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนี่อยู่นั่นแหละไม่ยอมรับความจริงโกรธตัวเองว่าทำไมมันต้องเป็นเราทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยปูเย็ น, น่ะ อยู่กลางน้ำเนอะ่ะอยย่ร้อยหกปีถากแดดถากฝนเด็ดเอาก้อนหินไปปลาลุกมานึ่งเข้าเตาไปกินเองฝนตกแดนออกงกงบนเงื่อ น, อ, นอยู่กลางลำน้ำเพชรไม่ป่วยไม่ใครฉันนะักธุรกิจพันล้านนะอายุสี่สิบห้าสมบูรณ์ทุกอย่างวันดีคืนดีดันเป็นมะเร็งลำไส้แคจริงเยคนที่คนป่วยไม่ป่วยนะ นี่คนอย่างฉันนี่มันไม่น่าจะป่วยมันป่วยนะแทนลูกสอนลูกที่หนึ่งคือเป็นมะเร็งป่ว ย, ล, ยลูกสอนลูกที่สองนี่ตอกย้ำเข้าไปหนักขึ้นคือการไม่ยอมรับความจริงป่วยทางใจหนักเข้าไปอีกนี่เรียกว่าป่วยเพราะลูกสอนสองลูกเสียคนเราถ้าเราป่วยควรป่วยเพราะลูกสอนดอกเดียวก็พอแล้วสูดให้กายป่วย จะไปป่วยเพราะทําำซางด้วยการเพิ่มลูกศรในความเจ็บปวดเข้าไปให้เราอีกคําว่าลูกศรเป็นชื่อของความทุกข์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์มีพระนามอย่างหนึ่งว่าสัญลยแพทย์หรือสัพพะโล ก, ก, โลกติกิจโฉโกแปลว่านายแพทย์ผู้พาต่างลูกศรให้กับคนทั้งโลกมีชื่อของพระพุทธเจ้านะดัง น, นั้นลูกศรในความทุกข์นี่มันมันพุ่งมาปักเราตลอดเวลา พอเรารู้ไม่ทันน่ะแทนที่จะดึงลูกศร้เราทิ่งลูกศรนั้นลูกข้างหลังเลยอุ๊บหนักเข้าไปบอกวะาคนอื่นที่สมควรป่วยฉันไม่น่าจะป่วยทําไมฉันมีประโยชน์ต่อบ้านนี้เมืองนี้ดูเสียงแทนกิเลสเถียงกับกิเลสเถียงกับพระพุทธเจ้าเถียงกับสัจธรรมแท้ที่จริงถ้าเราเรียนให้รู้เราจะเห็นว่าอ๋อความป่วยความไข้มันไม่เลือกที่รักมันไม่มักที่ช่างอยู่ดีๆมันก็ป่วย ขัดสนมันก็ป่วยพร้อมเกินไปมันก็ป่วยหล่อมันก็ให้ป่วยสวยมันก็ให้ป่วยโง่มันก็ให้ป่วยดำมันก็ให้ป่วยสูงก็ให้ป่วยเตี้ยก็ให้ป่วยรวยจนป่วยราชาก็ป่วยยาจบก็ป่วยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ป่วยมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วมันไม่ป่วยไม่ใช้ไม่ป่วยกายก็ต้องป่วยใจนี่เรียนให้รู้ทันธรรมดาแล้วหาวิธีรับมือ ทุกครั้งที่ป่วยกายอย่าให้ป่วยใจซ้าซ้อนทุกครั้งที่กายป่วยหนักอย่าให้ใจป่วยตามซ้ำลงไปเรียนรู้ให้เท้าทันแล้วก็อยู่กับความป่วยอย่างสมานะฉันอยู่ร่วมกับความป่วยด้วยรอยยิ้มเหมือนครูบาอาจารย์ท่านอยู่กับความป่วยหลวงพ่อชาอยู่กับความป่วยหลวงพ่อเทียนอยู่กับมะเร็งท่านเหล่านี้ทั้งทั้งที่ทป่วยทั้งตัวี้มนพุทธทาสป่วยทั้งตัยิ้ คนที่เป็นนวดให้ท่านใหายใจมีทั่วท้องประกองั่นพูดธึงท่านเข้าห้องน้ำท่านป่วยแล้วก็นั่งดูตัวเองแล้วก็ยิ้มแล้วทำมาป็นดอกหรือหลวงพ่อพระพรมโุณาพรป่วยลูกศิษไปติดออดหรือกลิ่งไม่ให้รอให้ท่านกดเวลามีอะไรที่จุกแล้วหกขึ้นมาทุกครั้งที่ท่านป่วยตั้งแต่ติดกลิ่งไว้แล้วเนี่ยลูกศิษไม่เคยได้ยินหลวงพ่อกดกลิ่งเลยแต่ท่านก็ป่วยอยู่ประจำบางครั้งก็หนักหนาเสียหัสหแต่ท่านไม่เคยเรียกใครเข้ามาเพราะอะไร เมื่อความป่วยเกิดขึ้นท่านนั่งดูความป่วยเรียกว่านั่งดูใจนั่งดูเข็มไม้หัวใจของตัวเองว่ามันไหวตามความป่วยความไข้าทางกายไหมทั้งน้ๆที่เราป่วยแต่เราก็ใช้ความป่วยนั้นเองเป็นครูสอนเราท่านพู้จะพาดก็ทําอย่างนั้น่ะท่านนั่งดูตัวเองในห้องน้ํานั่งดูอาการป่วยนั่งดูความดันหัวใจของท่านว่ามันเดินขึ้นเดินลงอย่างไร นี่เรียกว่าครูบาอาจารย์ของเรานี้รู้ทันธรรมดาของชีวิตพอมันป่วยมันไข้ทางร่างกายนี้ใจของท่านไม่ป่วยแต่ท่านเอาใจไปดูความป่วยแล้วก็อยู่กับความป่วยอย่างสมานฉันกายป่วยแต่ใจสุขก็มีความสุขเพราะรู้ทันธรรมดานั่นเองธรรมดาประการที่สามเกิดมาแล้วตายทุกคนธรรมะภาคเคยไป เ, ปเทศงานศพ เจ้าภาพไม่เป็นอันนี้มนท้าเลยทำไมต้องให้อยู่หน้าลงศพลูกชายตายแต่ยังหนุจำเนภาพก็ไปกระซิบถามร้องทำไมเธอบอกว่าไม่น่ามาตายก่อนวัยอันสมควรเนยะเราก็ถามมาแล้ววัยอันสมควรที่โยม อ, อยากให้ลูกตายเนี่ยคืออายุเท่าไหร่แกก็อ้อมแอมตอบก็ไม่รู้เหมือนกันท่าน ลูกอายุแปดสิบเนี่ยยมอยากให้ลูกตายหรื อ, อยังไม่นี้ใช่ไหมไม่ใช่มีลูกอายุแปดสิบแม่เรียกมาลูกวัยอันสมควรมาถึงแล้วตายได้แล้วมีไหยไม่มีหรอกวัยอันสมควรแก่การตายนะถ้าฟังมนุษย์เนี่ยไม่ให้ตายทุกคนนะอยากให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่กับเราจนู่งเละฟ้าสิ้นเดินจะลายนะ ใช่ไหมเนี่ยคือถ้าตามใจมนุษย์นะไม่อยากให้ใครตายสักคนแต่ถ้าตามใจธรรมชาติทุกคนต้องตายตายได้ตลอดเวลาด้วยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนนี่ะจั ก, กรพรรดิองค์หนึ่งได้เสวยราาทรงมีความสุขมากขึ้นเสด็จดำเนินเสด็จดำเนินไปยืนอยู่บนยอดเขาทอดเท้าลงมามองมหานาจาของพระองค์ แล้วทรงรำพึงให้มหาเล็กฟังว่าเธอดูสิถ้าพระอัยกาพระอัยกีของฉันยังอยู่พระองค์จะมีความสุขเพียงไรที่ได้เห็นฉันครองราดอย่างมีความสุขปราบมนทนน้อยใหญ่ให้ราดเป็นหน้ากลองแล้วสถาปนาตัวเองเป็นเจ้ารัชฉันมีความสุขถึงเพียงนี้ ถาสเสด็จปู่สเสด็จยา้าเสด็จตาสเสด็จยายสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ยังอยู่นะชีวิตฉันจะสมบูรณ์ขึ้นมากแล้วพระองค์เหล่านั้นก็คงจะมีความสุขที่ได้มองเห็นฉันประสบความสําเร็จในฐานะเจ้าครับมหาเล็กยินมแล้วกระซิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ถ้าพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายของพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะ องค์ก็ไม่ได้ข อ, อราชพยาธิเรียกว่าอารมณ์ดนตรีหายหเลย <C ue> เออจริงขอ ง, งเองเห็นไหมนี่คือข้อดีของความตายและคนตายนะใช่ไหมคนรุ่นก่อนไม่ตายเนี่ยเราจะได้เสวยราชเหรอเพราะฉะนั้นที่ต า, ตายกันไปเนี่ยดีแล้วเปลี่ยนกันมั้งใช่ไหมหนางเอกรุ่นก่อนๆไม่ได้ตายเนียรุ่นใหม่ๆไม่ได้เกิดสักคนนะ ใช่ไหมมิทช์ไชยบัญชาไม่ตายเนี่ยจะมีสอรพงหรือสมบัติจะเกิดหรือมิตช์เลิฟไม่ตายเนี่ยจะมีคนต่อมาหรือสักดำจะเกิดหรือใช่ไหมอัรบราฮัมลินคอนไม่ตายเนี่ยจะมีจอร์จเดอเบิลยูบูช์หรือนี่ที่แต่ตายกันไปน่ะดีแล้วประเสริฐเป็นวิถีธรรมชาติเป็นวิถีธรรมดา อถ้ายังให้พระเจ้าปู่พระเจ้าเจ้าพระเจ้าตาพระเจ้ายายยังอยู่สิเสด็์หลานจะได้ขึ้นของท่านได้ยังไงนี่มหาอมาตคนนี้นี่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากเลยนะเข้าใจธรรมดาของชีวิตเห็นไหมเออความตายมันก็ธรรมดาเนาะไม่ใช่มันไม่ดีนะมันดีทีเดียวนะป่วยมาเป็นสิบปีเนี่ยขอให้มันตายนะถ้ามันไม่ตายก็ทุกข์มาตายมันก็ดีไปอย่างเห็นไหมตอนที่ความตายมันก็ดี แต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันนะ่ะมันจะร้ายความตายเหมือนอะไรเหมือนหนามหนามมันอยู่ไห น, นก็อยู่กับต้นมันมันจะทําให้เราทุกข์เมื่อไหรโยมามือไปจับจับเมื่อไหร่ก็ถูกหนามแทงถ้าเราไม่เอามือไปจับมันก็ไม่แทงแทงเมื่อไรก็ทุกข์ความตายก็เช่นเดียวกันมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ไม่ทุกข์ แต่พอรู้ไม่ทันในทุกทันทีก้อนหินมันอยู่ข้างทางน่นเราไม่ยกมันหนักไหมไม่หนักเสนอให้เขาไปยกกันหนักเลยดิน่าหนักความตายกับก้อนหินก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างอมันก็เป็นของมันธรรมดามันจะมีผลเป็นความสุขความทุกข์ต่อเราเมื่อเราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องโดยรู้เท่าถึงการนะหินมันหนักนะเรายกพอรู้ว่าหนักเราก็ปล่อย หนามมันแหลมนะเอาเมืองอห่างๆอย่าไปจับให้มันเสียบให้มันต่ํามันก็ไม่ทุกในนิทานปรัชญาเซนเรื่องหนึ่งน่ะมีคนแก่นีเจ๊ขายของคนหนึ่งไปทําบุญขอให้หลวงพ่อเขียนคําอวยพรให้หลวงพ่อก็เขียนคําอวยพรให้เขียนเสร็จแล้วเจ๊นักธุรกิจคนนี้ได้อ่านแล้วเข่าสุดเลย ชี้หนะ้าด่าลงเล้งนะด่าหลวงพ่อหลวงพ่อเขียนทำไมอย่างนี้มันไม่เป็นมงคลเลยหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นมงคลไนดะ้อย่างไงนี่แหละสุดยอดมงคลทำยังไงทำโอยพรนี่หลวงพ่อเขียนให้มีอยู่ว่าพ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วหลานตายอาแป๊ะไม่เข้าใจอืหาว่าหลวงพ่อใช่ หงพ่อบอกฉันไม่ได้เช่งนะโยมนะคุณโยมคิดดูสิถ้าลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่พ่อแม่จะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมหลานตายก่อนพ่อก่อนแม่พ่อแม่จะทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้าให้พ่อตายแม่ตายลูกตายหลานตายให้มันตายกันโดวยวิธีธรรมชาติเป็นธรรมดาเนะ่ะไม่ทุกข์หรอกเพราะอะไรคนแก่ก็ต้องตายก่อนเป็นธรรมดา ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่มันทุกข์อาตมาพ่อเคยเห็นความทุกข์ของยมแม่พี่ชายอาตมาทัพตายก่อนอาตมาน่ะขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้วมีแผนว่าจะแต่งงานปีหน้าวันหนึ่งประสบอุบัติเหตุที่ตายน้องชายแท้แท้ยังไม่ตายพี่มาตายก่อนพ่อแม่ก็ยังอยู่ คุณโยมลองคิดดูที่ว่าโง่พ่อโ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อกแม่ที่ต้องมาทําศพให้ลูกแทนที่ลูกจะต้องทําศพให้พ่อแม่ใช่ไหมตามวิธีธรรมชาติพอมันกลับตาลปัดอย่างนี้มันทุกข์ขนาดไหนทุกข์มากมากใครไม่เคยเจอเหตุการณ์จริงไม่รู้พ่อแม่ที่หวังจะฝากผีฝากไข้กับลูกแต่มาเห็นลูกตายก่อนหรือพ่อแม่ที่มีลูกคนเดียว แล้ววันหนึ่งลูกเป็นอัมมาพลึกอัมมาพาดพ่อแม่ต้องมาเลี้ยงลูกแล้วลูกตายไปขาอ้อมกอดเหลือสองคนตายายอยู่เลี้ยงดูกันจนแก่กันเท่าไม่มีลูกไปสักมีฝักให้ทุกไหมทุกหนักหนาสหัสของมนุษย์ก็เป็นอย่งนี้ทุกเพราะว่าไม่ได้ตายไปตามนิยมธรรมชาติดังนั้นปรัชญาพุทธที่หลวงพ่อเขียนให้อาแปะคนนั้นที่บอกว่า พอตายแม่ตายลูกตายแล้วหลานตายพอหลวงพ่ออธิบายให้เข้าใจแล้วนี่เจ๊คนนั้นก้มกราบปหลอกปรหลอเลยบอกว่าเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวิถีธรรมชาตินี่เราอยู่กับความตายเราต้องเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันมันนะรู้ให้ทันแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อเวลามีคนตายก็อย่างนั้นนะ ธรดาเข้าใจแล้วก็ได้แต่อ๋อเท่านั้นเองทั้งหนึ่งนางวิสาขาร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าเปียกชุ่มไปทั้งเนื้อ้งตัวเลยเพราะไปทําศกลูกแล้วก็ต้องส่งน้ําในแม่น้ำํำคงคาล้างบาตรําระใจเศ้าใจมากไปหาพระพุทธเจ้าทั้งๆนี้เนื้อตัวยังเปียกชุ่ม ไปถึงพระพุทธเจ้าก็ถามว่าิสาขาเธอร้องไห้ทำไมนางวิสาขาก็ตอบว่าม่อมฉันร้องไห้เพราะว่าลูกสาวเพิ่งเสียพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมีลูกมากไหมมากพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าถ้าเธอมีลูกหนึ่งคนถ้าลูกตายเธอก็ร้องไห้หนึ่งครั้งแต่เธอเนี่ยมีลูกเนี่ยสามสิบสี่สิบคนนะ่ะ ทุกครั้งถ้าลูกของเธอตาเธอจะร้องไห้สักเท่าไหร่มีลูกหนึ่งร้องไห้หนึ่งมีลูกสองร้องไห้สองมีลูกสามร้องไห้สามีลูกสิบร้องไห้สิบมีลูกลห้าสิบร้องไห้ห้าสิบความทุกข์ของเราขยายตัวตามความรักของเรารักลูกจี่คนรักมากเท่าไหร่ถ้ามันกลับตาลปัดกลายเป็นความทุกข์ก็ทุกข์มากเท่านั้นรักมากทุกข์มากหึงมากแชนมาก ทวงมากเสียดายมากครอบครองมากทุกข์มากพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนคนบางคนที่ร้องไห้เพราะลูกตายมาหาพระองค์พระอบอกว่าน้ําตาที่เธอเคยร้องไห้เพราะลูกตายเนี่ยถ้าจะามารวมกันจะมากยิ่งกว่าน้านในมหาสมุทรเธอเคยร้องไห้เพราะเสียลูกมากกี่ครั้งกี่หนแล้วละ่ะในสังสารวัตอันยาวนาน น้ำตาที่ร้องให้เพราะสูญเสียลูกชายลูกสาวของเธอมากยิ่งกว่าน้ำมัในมหาสมุทรมารวมกันทั้งโลกกระดูกของลูกชายลูกสาวของเธอที่สูญเสียไปแต่ละพบแต่ละชาติถ้ามากองรวมกันจะมากกว่าภูเขาเหล่ากาทุกขนทุกแห่งบนผืนปฐพีนี้เธอเหยียบเท้าลงไปไม่มีที่แห่งหนึ่ตำบลใดแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วที่มนุษยชาติไม่เคยเหยียดร่างลงตายบนผืนแผ่นดิน ความตายมันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์มันเป็นธรรมดาพ ร, าพระพุทธเจ้าตรัสเทศอย่างนี้คนที่เป็นบ้าเพราะเสียลูกเข้าใจหายบ้าเลยนะคือนางกิสาโคตมีนี่เราต้องเรียนให้รู้ความตายอย่างนี้รู้ให้ทันธรรมดาของความตายว่ามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเรียนแล้วอย่าเรียนแต่ความตายข้างนอกต้องเรียนความตายข้างในด้วยความตายของขณะจิต ตามหลักอริยธรรมจิตคนเราเกิดดับตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในหนึ่งวินาทีนี้เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่รู้กี่ทั่วขณะจิตดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อมองในแง่จิตใจเนี่ยจะเห็นว่าเราเกิดตายกันใกล้ชิดมากๆากแล้วเกิดตายตลอดเวลาด้วยน่ะนี่ต้องเรียนรู้ถึงขั้นจิตใจเราถึงจะเห็นว่าอ๋อความตายมันธรรมดาเนาะ ในทางใจมันก็ตายอยู่แล้วทุกขนาดจิตต่ทางกายมันก็ตายอยู่ตลอดเวลาเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานี้ตายตลอดเวลาตายตลอดเวลาเลยลองอาบน้ำลองถู ด, ดูที่ใครนะนะั่น่ะคือความตายของเซลล์ต่างๆมันสลายตัวมันก็ปล่อออกมาในรูปร่างของสิ่งปฏิกูลต่างๆทงั้งทวารทั้งก้าดังนั้นภายในเจ็ดปีเนะี่ยตัวของเรานี้จะไม่ใช่เราคนเดิมนะ ทุกทุก็ดปีเซลต่างๆมันจะเปลี่ยนแล้วมันทดแทนกันทั้งหมดจนเรากลายเป็นคนใหม่ทุกๆุกเจ็ดปีนี่ในทางชีววิทยาเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นว่าคนเราเกิดตายเกิดตายทั้ ง, า ง, า ง, า ง, างทางกายทั้งทางจิตตลอดเวลาเราเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าคุณโยมเรียนรู้ให้เราดนจะเห็นว่าอ๋อเจ้าความตายนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยเธอเกิดขึ้นเธอตั้งอยู่แล้วเธอก็ดับไปตลอดเวลา เมื่อมีใครเกิดขึ้นมีใครตั้งอยู่มีใครตายลงเนี่ยก็รู้ไม่ทันนะบางคนรู้ไม่ทันหรอกอัตมาภาพเคยเจอไปร่วมงานศพไปชักผ้าบางสุกุลมีญาติคนหนึ่งขึ้นไปดูหน้าศพของญาติประคองกันขึ้นไปหิ้วปีขึ้นไปอัตมาภาพก็อยู่ใกล้พิจารณาศพก็ผู้หญิงคนนี้ไปดูแล้วก็ล้มฟุบลงไปหัวเขมำลงในโรงเลยนะคิดดูเกือบตายกับคนในโ ง, งี ห้าปีกันลงมารถพยาบาลมารับคามเม็นเผาศพเลยนะนี่เรียกว่าไปดูคนตายแล้วไม่ได้เจริญมรณะสติจะตายตามเอาดูซิอยู่กับความตายอยู่กับคนตายถ้ารู้ไม่ ท, ทันนะนอกจากจะโง่แล้วเนี่ยบางทีก็ไปตายกับเขาอีกทั้งทั้งที่ไม่น่าจะตายนะเนี่ยพุทธเจ้าจึงสอนเสมอว่าให้พิจารณาความตาย ประเพณีการพิจารณาความตายหรือการเจริญมรณสติเข้ามาในสังคมไทยพร้อมๆกับพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมสองอย่างหนึ่งกิจกรรมการชักหรือทอดผ้าบาังสุกุลสองการเผาศพกลางแจ้งแต่คนไทยใช้ผิดหมดน่ะเดี๋ยวเนี้ยถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันพระสุขข้าพระเสาแทรกไปหาพระขอให้พระชักบังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย เพื่ออะไรจะได้รอดตายแล้วสังเคราะห์พระก็ใจดีแล้วเกิดเอาเอผ้าเผาผ้าให้แล้วก็ชักก็ทําตามๆกันไปเนี่ยเรียกว่าศีละพัฒนะปรามาไม่เข้าใจเลยทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ผ้าไปพิจารณาผ้าบางสุกุลหรืออีกในหนึ่งทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ผ้าไปดูงานศพไปดูศพ ไ, ไปสวดศพเขาเอาศบไปเผาที่วัดเพื่ออะไร เพื่อให้พระได้เรียนจากศพในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนตายสัปเเรอเนี่ยไปเรียนให้พระมาดูศพพระก็ไปดูพอพระไปดูพระก็ปรงสังเวชสังเวชไม่ได้หมายความว่าสงสารนะสังเวชก็คือเกิดสติสำนึกตระหนักแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท แต่คนไทยได้พูดถึงสังเวชก็อุ้ยเวทนาสงสารนี่ใช้ความหมายไม่ถูกสังเวชในความหมายทางธรรมก็คือตรวจสติและคิดในเชิงบวกพยายามไม่ประมาทในสมัยพุทธกาลมีคนตายเขาจะเชิญหรือนิมนต์พระไปดูศพแล้วพระก็ไปพิจารณาศพในการพิจารณานั้นพระก็จะกล่าวว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมไมโน อุปาชิตาวานิรุชันติเตสังหูปสโมสุโคติความหมายคืออะไรอ น, นิจาวตาสังขารารูปร่างสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองอุปาธวยธรรมไโนมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานิรุชันติ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็จะดับไปเตสังวูปะสมุสิโคดับการเกิดการแก่การตายจะได้ก็มีความสุขคือพระนิพพานปกรวีสีบรรทัพที่พระใช้เนะี่ยพูดเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่เรื่องสามัญจนถึงพระนิพพานเลยนะหัวใจวิปเจนาจะมาถาเลยนะเรื่องเกิดดับเรื่องใจรัก สอนไตรลักษณ์จนถึงพระนิพพานแต่ทุกวันนี้ทั้งพระสงฆ์องค์้าทั้งคนไทยเวลาได้ยินพระทอดผ้าบาังสุกุลหรือพระพิจารณาผ้าบางสุกุลเนี่ยถามมาเข้าใจไหมแทบไม่มีนะชิญผู้หลักผู้ใหญ่ไปทอดผ้ามาหาบางสุกุลเชิญพระผู้ใหญ่ไปเป็นประธานพิจารณาผ้าบางสุกุลถ้าก็ไปพิจารณาดูโอ้โหวันนี้ไตรแพร ไหมาจากสวิตของแท้ได้มาแล้วหนีบรักแร้แน่นเนอะให้อย่ามัดแย่งฉ่นะนะนี่ไปที่จารณาภาพบางสุกุลได้มาแต่ท้าไม่เห็นเลยว่าวันหนึ่งตัวเองก็จะตายไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่ามันคือความไม่เที่ยงดูซิว่าเราเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่แสนส่งคุณค่าแต่เราไม่ได้รู้สึกกันเลย ญาติโยมกเหมือนกันนะไปให้พระรพระิจารณาภ่าบังสุกุลมันจะสั่งเคราะห์สั่งโศกสั่งโรคสั่งภัยได้ยังไงตราบใดที่เรายั ง, งโง่อยู่คนที่มีเคราะหคือคนที่งโง่มากๆโง่มากเคราะหมากคนที่มีปัญญามากๆถ้าเคราะเกิดขึ้นจะพลิกเคราะห์ให้เป็นปัญญาเลยสอบตกก็เรียนรู้ว่าดีจสอบใหม่ให้มันได้ป่วยไข้ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความป่วยไข้อย่างมีความสุข นี่เรียกว่ามีปัญญาเนี่ยแปลเคราะห์ให้เป็นโชคแต่พองโง่มากๆเนี่ยโชคมาอย่างทีปัดให้เป็นเคราะเลยนะถูกรางวัลได้หนึ่งห้าสิบสองล้านยังกินยาฆ่าตัวตายนะ่ะยังซื้อพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวทาไมกินยาฆ่าตัวตายญาติมารุมขอเยอะเกินไปแบ่งยังไงก็ไม่หยุด <c oughs> โอมันโง่แล้วเนี่ยมันแปลโชคให้เป็นเคราะห์ดูมนุษย์นะ่ะ กิจะรรมอีกอย่างหนึ่งที่เรารับมาแล้วสอนเรื่องความแตกการเผาศพกลางแจ้งสมัยก่อนบ้านอาตมาภาพนี้เผาศพกลางแจ้งสองสามปีมาหนี้เดี๋ยวนี้มีเมนเผาศพแล้วคณะกรรมการวัดกักรรมการบ้านก็บอกเชิญหน้าชูตามมากเลยเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีเมนเป็นเรื่องที่ดีอาตมาภาพบอกไม่ดีเลยฉันไม่ชอบเพราะอะไรเผาศพเนี่ย อักโลงเข้าตู้เผาแล้วเนี่ยทุกคนเดินกลับบ้านไม่เกิด อ, อะไรขึ้นในทางพุทธิปัญญาไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตแต่สมัยก่อนนะเวลามีคนตายทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านต้องเอาปืนไปบริจาคคนละหนึ่งดุนทุกหลังคาเรือนต้องไปรับเอาข้าวสารจากบ้านที่มีงานศพมาช่วยกันนึ่งช่อกันหุงแล้วไปเลี้ยงแขกที่มางานศพ วันเผาศพต้องเอาปืนไปร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งหลังคาเรือนต่อปืนหนึ่งดุนเราได้อะไรได้น้ำใสใจจริงเอาปืนไปร่วมเผาศพเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งถ้าเราตายเขาก็มาร่วมกับเราช่วยกันหงเข้าเป่าไฟเพื่ออะไรสงเคราะห์มิตรในยามยากกันไหมมิตรจิตมิตรใจเกิดคลิกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้ ไม่มีเงินก็เอาแรงไปช่วยไปนอนเป็นเพื่อนศพไปเป้าศพอยู่กันจนสว่างคาตารักกันไม่ทิ้งกันดูแลกันจกนกระทั่งว่าส่งถึงเชิงตะ ก, ก่อนก่อนจะเผาศพทาอย่างไรเอาขึ้นปราสาท ร, ราชรถคนในหมู่บ้านมีเท่าไหร่ขอหมู่บ้านละขอหลังคาเรือนละหนึ่งคนมาช่วยกันจูงศพทากันอย่างนี้ เป็นประเพณีสื่มาไม่ใช่รถแต่ใช้มือนิจูงกันไปล่ากันไปจนถึงเชิงสะกอดเจ้าภาพสพอยู่ในอาการเศร้าสลดแต่เห็นคนในหมู่บ้านมาสมัครสมานสมัชชิก็มีกําลังใจจัดงานศพเออสามีชั้นลูกชั้นมันตายชาวบ้านก็ไม่ทิ้งเห็นไหมท่ากลางชีวิตที่กําลังว้าวเวก็เห็นชาวบ้านมาช่วยงานศกก็เกิดกําลังใจคนยอมดูที่ว่างงานศพเต็มไปด้วยธรรมะ พอเอาไปเผากลางแจ้ง ย, ยกขึ้นวางบนเชิงตะกอเผาทุกคนนั่งอยู่ในปา่าช้ารอดูสัปปเเสบเปล่เผาศพท้อมอพร้อมใจในระหว่างที่เผาเห็นคนตายเห็นไฟเห็นเปลวเพลิงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใ น, นรัชการกลางแจ้งอยู่บนเชิงตะกอนเห็นไฟกำลังลามเลียกองอื่น เห็นคนที่นอนอยู่ในโลงศพถูกไฟเผาไหม้ทีละน้อยทีละน้อยเห็นทูปร่างสังขารเส้นเอ็นต่างๆที่ถูกไฟเผาแล้วมันจึงมันเคร่งมันดึงขึ้นมาบางทีศพลุกขึ้นมาเพราะเส้นเอ็นมันจึงมันถูกไฟไม่ไฟเผาเกิดมรณสติเห็นว่าโอ้ยชีวิตเป็นอย่างนี้นอกลับมาภาพจินใจ คนเชิตกกอนก็ติดหูติดตามาสอนตัวเองว่าถ้าเราประมาทเราก็จะตายนะจิตจากงานศพหนึ่งงานทุกครั้งที่มีใครตายฉลาดขึ้นตลอดเดี๋ยวนี้พอมีอบอตอได้งบประมาณมาสร้างเม็ดซื้อรถไว้คันหนึ่งสำหรับลากจูมยกลงขึ้นบนรถขับรถนำหน้าคนไปทำยังไง ใครมีรถเก๋งก็รถเก๋งใครมีปิกอัพก็ปิกอัพขับไปรออยู่ที่ป่าช้าพอไปถึงทำยังไงไม่ได้ลากไม่ได้จูงไม่ได้ช่วยหรอกสับเระเรือจากการทุกอย่างเราแค่นั่งดูส่งลงสบเข้าตู้ไฟฟ้าแล้วปิดจบกลับบ้านได้ปัญญาไหมเข้าใจชีวิตไหมน้อยเหลือเกินนี่แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย โครนณอาจารย์ท่านสอนไว้ดีมากแต่เราไม่เอาทิ้งกันหมดเลยสมัยก่อนที่บ้านอา จ, จารย์าพิพรมีงานศพตอนที่เอาคนตายลงมาจะเอาบรรจุบนฐานสารราชรถนะ่ะเขาจะไม่สับปะเลอะทุกหม้อน้ําคาบันไดเลยนะทุกให้แตกโปะเลยนะทุก ท, ทกำไมไม่มีใครรู้เลยไปถามใครไม่มีใครรู้ทั้งบ้านทั้งมัรนาโยกทั้งอาจารย์วัดไม่มีใครรู้ พอมาเรียนบาลีจะมาอัพถึงรู้ทุกหม้อน้ําทุกคนโทรในขณะที่จุงศพลงจากบ้านเพื่ออะไรท่านบอกว่าเป็นประเทณีทุกขันห้าทุกทำไมก็ทุกให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มันเห็นว่าสักวันหนึ่งขันห้าก็จะแตกนะแตกเหมือนหม้อน้าเลยใครคือขันห้าแต่คนเป็นๆทั้งหลายเนี่ยคือขันห้าเราคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขันกองวิน ญ, ญาณ วัน ห, หนึ่งเราก็จะแตกเหมือนหม้อ น, น้ำดูสิปริศนาธรรมที่โบราณอาจารย์ฝากให้ลูกไทยหลานไทยทั้งหลายมันเต็มไปหมดจูงศพออกจากมันจุดประทัดสันนันั่นปะทพีก็อธิบายกันว่าเป็นการบอกให้ศบรู้ว่าออกจากบ้านแล้วนะอย่ามาสิงอย่ามาสถิตยอยู่ที่นี่ความหมายในทางธรรมที่แท้จริงคืออะไรชีวิตเหมือนประทัศนะเดี๋ยวก็แตก แตกแล้วเป็นยังไงเหลือแต่ฟองแต่่อยหายไปกับดินกับยาไม่เหลือแก่นเหลือสารอะไรเลยคนเราก็เป็นเหมือนกระทัดโอ้โหดังระเบิดเถิดเทิงเลยป๋าเปรมสิปีที่แล้วป๋าเปรมดังมากมาแต่เดี๋ยวนี้พอคนพูดถึงป๋าเปรมก็อ๋อไม่มีอะไรสมัยก่อนถ้าพูดถึงมีทหารทั้งกองทัพนี่ยำเกรงนะเดี๋ยวนี้พูดถึงป๋าก็อ๋อธรรมดา ปีที่แล้วพูดถึงคึกฤทธิ์ปราโมทยิ่งใหญ่มากเป็นเสาหลักประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ไปถามเด็กบางคนไม่รู้จักช่วงที่อาจารย์ปรีดีพนมยองอยู่เนี่ยคนธรรมศาสตร์ภูมิใจมากเดี๋ยวนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีนักวิชาการจากธรรมศาสตร์คนหนึ่งเขียนว่าไปถามลูกศิษย์ว่ารู้จักอาจารย์ปรีดีไหมลูกศิษย์บอกไม่เคยได้ยินชื่อทางที่นอนุสรสารของอาจารย์ปรีดีตั้งอยู่ที่ธรรมศาสตร์อาพภาจันทร์ นี่คุณโยมเห็นได้ยอย่างว่าชีวิตคนเราเนี่ยตอนที่มันดังมันดังยิ่งกว่าประทับแต่พอมันดับไปแล้วถามว่ามันเหลืออะไรไม่มีนอกจากส อ, สอนว่าชีวิตกับความตายมันจะเป็นอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องต้องแตกต้องดับแล้วท่านก็สอนให้เราไม่ยึดมั่นหรือมั่นอีกด้วยคุณโยมเห็นได้ ย, ย่างว่าประเพณีการทําศพแบบโบราณเนี่ยเรื่องความตายเนี่ยเต็มไปด้วยพุทธปรัชญาสอนเราให้เข้าใจชีวิตอยู่นตลอดเวละ ดูสิท่านสอนกันมาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเอากันแล้วไม่ค่อยสนใจทุกสิ่งทุกอย่างทำสั่งแต่ว่าทำแล้วทำมาปีดกบอกว่าพิธีกรรมต่างๆทุกวันนี้ในสังคมไทยนี่มันเหลือแต่ซ่าสวดสวบก็สวดชนีดที่วันเหลือแต่ซ่าของการสวดพิจารณาพระบางสกุลก็เหลือแต่ซ่าของการพิจารณาบางทีมีคนเอาศพเข้าวัดมาเนี่ย ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เพื่อให้พระเจริญมรรณะสติเดี๋ยวนี้พระอาจจะมองว่าโอ้โ oh, ห oh, ตายอีกแล้วงานนี้ไม่ต่ำห้าร้อยพรคิดถึงรายได้นะเจ้าภาพก็เป็นห่วงว่าจะต้องเช่าศาลาเท่าไหร่ไม่มีใครนึกถึงธรรมะเลยสักข้อนี่ไม่เกิดธรรมะเลยเกิอดอะไรทุกมีคนตายเกิดทุกซ้ำทุกซากไม่จบเนี่ยเพราะเราไม่เรียนเรื่องความตายให้รู้ ธรรมดาของชีวิตประการที่สี่คืออะไรคนทุกคนจะพลัดพราก ค, ความพัดพรากนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตบางทีไม่ต้องรอให้ตายนะเราพรัดพากอยู่แล้วเช่นพลัดพากจากพ่อจากแม่ลูกหลานทั้งหลายไม่มีใครอยากจากพ่อจากแม่ัต่แมภาพก็ไม่อยากจากยอมพ่อยอแม่นะแต่ก็มีเหตุให้ต้องจากเราต้องมาเรียนในอินเทส ญาติโยมทั้งหลายมีใครอยากจากคนรักของรักบ้างไม่มีหรอกคนรักเนี่ยถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องจากไปท่านไม่จากเราเราก็จากท่านไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากร้ายก็จากดีของรักคืออะไรรูปร่างสังขารในหกดูแลอย่างดีเลยหน้าตาผิวพรรณประทินกันอย่างเต็มที่เครื่องคำอังสั่งมาจากต่างประเทศอยากให้มันอยู่กับเรานานๆนะสุดท้ายดึงไว้ได้ไหม เึื่องสำอางขวและแสนเราเอาไม่อยู่สุดท้ายที่เรารักทุกอย่างมันก็จะไปจากเราหมดนะหน้าตาผิวพรรณรูปร่างาติปัญญาสุดท้ายสิ่งที่บางเบาที่สุดในชีวิตไม่กินเนื้อที่ไม่เนีน้ำหนักคือลมหายใจก็ยังปลิวไปจากเราเราเอาไว้ได้ไหมกอดไว้ไม่ได้เหมือนเดิมดูที่ว่าในชีวิต กระแสของการพัดพาเกิดขึ้นตลอดเวลาใครไม่เคยพบไม่เคยภาคบ้างเราครอบครองสิ่งใดจำไว้ว่าเราจะพัดพาจิตสิ่งนั้นเราพบกับใครขอให้รู้ไว้ว่าเราจะต้องจากคนนั้นคนจีนเข้าใจเวลาไปส่งแขกเขาจะบอกว่าส่งกันพันล้สุดท้ายก็ต้องจากอยู่ดีดังนั้นไม่ส่งนี่ไม่ส่งมันเลยไปอยากไปไป เข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตแล้วเด็ดขาดได้ตายก็ตายแหละมีอะไรหรอกยศมแม่อาประภาพป่วยด้วยโรคหอบหืดท น, นบอกว่าเอาไปโรงพยาบาลลูกหลานถามว่าถ้ามันหนักหรือยมแม่บอกถึงที่สุดก็ตายเพราะนั่นก็ตายเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดนะตายไม่อาธร้อนใจอะไรอยู่ไม่ได้ก็ตายลูกหลานไม่ใจแป๊วแต่ยมแม่ใจเด็ดตายไม่เป็นไร นี่เรียกว่าเข้าใจความพลั้งพลาดมาเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วพร้อมอยู่พร้อมไปพร้อมตายพร้อมพั้งพลาดไม่กลัวหรอกวันนี้มีชื่อมีเสียงพรุ่งนี้เป็นดังอับแสงก็รับได้เพราะอะไรชื่อเสียงก็กระากจากเราวันนี้มีอยู่มีกินอีกวันหนึ่งเป็นยาจกเห็นใจก็รับได้เพราะอะไรความมีอยู่มีกินก็พระชากจากเราวันนี้มีเงินมีทองคืนนี้ไฟไม่บ้านเหลือแต่เสื้อผ้า ติดเนื้อติดตัวก็ทําใจได้ทุกอย่างก็พลัดพรากจากเรามีลูกมีหลานรักปานเกี้ยวตาดวงใจอยู่มาว่าหนึ่งเขาพระดพานจากเราก็รับได้เพราะอะไรธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ก็จะต้องพัดต้องพากเป็นธรรมดาเมื่อันกันหมดนี้ถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความพลัดพรากเราเยนไหวลอยคออยู่ในกระแสแห่งการพลัดพรากเราก็จะเข้าใจ เมื่อมีใครมาล้มหายาจจากไปโยมก็อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของแก้วมันก็ต้องแตกธรรมชาติของน้ำมันก็ต้องไหลธรรมชาติของจันทร์มันก็จะส่งแสงนะธรรมชาติของลมมันก็จะพัดธรรมชาติของปุยนุ่นมันก็จะเปลวโยมดูสิถ้าเราเข้าใจธรรมชาติรับได้เข้าใจได้แต่เราเรียนเรื่ทภาคไม่ใช่เพื่อให้เพอหดหู่นะ เรียนเรื่องพัดภาคไม่ใช่เพื่อหัวผูแต่เพื่อที่จะอยู่กับคนที่เรารักอย่างดีที่สุดไม่ใช่บางคนทำใจไ้แล้วสามีไปทำงานกรุงเทพหนึ่งปีไม่กลับอ๋อท่าหัวมันธรรมดานี้ไม่ได้นะไม่ได้มาฟังธรรมะ ก, กลับไปบ้านโนต้นเจ็บหายไปร้านหนึ่งอ้ธรรมดามันก็พัดภาคมันไม่ได้นะมไม่ได้ นั่งอยู่ที่นี่ลมหายใจปลิวออกไปแล้วไม่ปลิวเข้ามาก็พัดทาจักรธรรมดากไม่ได้เราเรียนเรื่องพัดท่าไม่ใช่เพื่อปล่อยตัวปล่อยใจเ ร, เรียนเรื่องพัดท่าเพื่อให้อยู่กับคนรักและของรักอย่างดีที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าเรายังมีพ่อมีแม่อยู่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีสามีภรรยามีลูกแก้วเมียขวัอยู่ก่อนที่เขาจะพัดท่าจะเราไปวันใดวันหนึ่งขอให้อยู่กับเขาอย่างดีที่สุด เพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเมื่อมาพัดพาจากกันไปแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าตอนยังอยู่ดีๆนี้ไม่ดูไม่แลกันวันหนึ่งอาตมาภาพไปปฏิบัติธรรมที่นครนายกคืนที่สองของการปฏิบัติธรรฝันอาตมภาพเอาลูกจิตไปด้เป็นหลานแท้ๆของอาตมาภาพนี่แหละคืนนั้นอาตมาภาพฝันว่าโยมแม่ของอาตมาภาพตาย หลานได้ๆของอาตมาภาพก็ตายแล้วมีการตั้งจบสองลงอวดพร้อมกันลงที่อยู่ข้างในเป็นลงของโยมแม่ลงที่อยู่ข้างหน้าเป็นโยมของหลานอาตมาภาพในฝันอัตนาภาพเสียใจมากไปเปิดฝาลงแล้วอุ้มเอาหลานขึ้นมาร้องไห้เศร้าโศกความเศร้านั้นมันกินใจมากถึงขนาดว่าต้องสะดุ้งตื่นมันกระตุนใจมากถึงขนาดว่าสภาพจิตรับไม่ไหว ต้องปลูกให้เราตื่นจากความฝันคุณยมคิดดูว่ามันเท่าคารันไหนคุณยมเคยฝันมาตกจากที่สูงแล้วสะดุ้งตือนไหมทําไมต้องสะดุ้งตืน่นนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งที่มันกระทบกระเทนจิตใจของเราในความฝันมันมากเกินลิมิตที่จิตจะรับได้จิตจะปลูก ใ, ให้เราตื่นทันทีเช่นเดียวกันอาจาถ้าฝันว่านหลานเริงตายแล้วอุ้งขึ้นมาดูเนี่ยอะไรรักมากจนเท้าจนสุดท้ายจะดุ้งเตื พ็ตื่นขึ้นมารู้ว่าเป็นความฝันใจชื้นเปิดไปดูหน้าหลานตัวเองมันนอนอยู่ใกล้ๆน่ะอ๋อมันยังอยู่พอมันยังอยู่เราก็รู้สึกว่ารักหลานของเรามากขึ้นเป็นร้อยเท่านะถ้าไม่รักมากขึ้นก็ตอนในฝันะเห็นว่าเขาตายไปเราเสียใจได้ขนาดนั้นนะ่ะตื่นขึ้นมาพบว่ายังอยู่เราเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังอยู่นะ ปกติเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันยังอยู่ก็ต่อเมื่อเราเสียไปใช่ไหมแกงขาดเกลือจึงรู้คุณเปลือพ่อแม่ไม่เหลือจึงนึกถึงพ่อนึกถึงแม่อย่ากให้เป็นอย่างนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรารักของสิ่งที่เรามีของสิ่งที่เราครอบครองตอนที่เขายังอยู่กับเราแล้วทนในบัตรพัดดีดูแลเขาให้ดีที่สุด อย่ามาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรารักของสิ่งที่เราบูชาของสิ่งที่เราหวงแหนของสิ่งที่เราเท้ดทนต่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีอานต้องพัดฆ่าจากเราไปแล้วสำนึกเมื่อสายไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้เสียใจอันนี้คือการเรียนรู้ธรรมดาของชีวิตข้อที่ว่าด้วยคนทุกคนต้องพัดฆ่าจากคนรักของดักเรียนแล้วรู้แล้ววันหนึ่งถ้ามันพัดจากเราไปก็เข้าใจ แต่ถ้ามันยังอยู่ก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดธรรมดาของชีวิตประการสุดท้ายคนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเราทํากรรมสิ่งใดไว้ดีก็ตามชัวมช่วก็ตามจะต้องเป็นทายาตรรับผลของกรรมนั้นทั้งหมดคุณจะไปทําไว้ที่ไหนต่อหน้ารับหลังในห้องหับอันโอลางหรือระหโหฐานก็ตามหลอกคนอื่นได้ทั้งโลกแต่คุณไม่สามารถหลอกจิตสำนึกของตัวเองได้ จิตของคนเรามีสองระดับหนึ่งเรียกว่าวิถีจิตหือปกติจิตคือจิตธรรมดาที่เรียกว่าสามัญสำนึกสองผ้าวังคจิตคือจิตตั้งสำนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํากรรมในขณะที่มีปกติจิตนี้จะถูกบันทึกลงในผ้าวังคจิตและตัวผ้าวังคจิตนี้จะกลายเป็นเหมือนกล่องดําของเราที่เก็บบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเกิดพบไหนพบนั้นสิ่งที่เราทํากลายเป็นพลังกรรมที่ตามไปให้ผล ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นดังนั้นเมื่อเราหนีกรรมไม่พ้นต้องเลือกทําแต่กรรมดีเลิกหนีกรรมั่วนี้ก็เป็นธรรมดาเราทํากรรมสิ่งใดไว้เราก็ได้รับสิ่งนั้นเป็นมรดกตกทอดมาไม่มีใครดอกที่ทําร้ายเราได้มากเท่ากับเราทําร้ายตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญแต่มันเป็นเรื่องที่สืบดเนื่องถึงกรรมเพราะวานสิ่งใดไว้เราเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนี่ก็ธรรมดาของชีวิตประกาหนึ่ง เราเข้าใจว่ากฎแห่งการเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วไม่ใช่เพื่อให้ยอมจำนน์แต่เพื่อให้เลือกทำแต่กรรมที่ดีงามเหลงนี้กันชั่วนี่ธรรมดาของชีวิตห้าประการเราต้องเรียนรู้ให้ได้ทานเพื่อเสริมการเจร at ิญมรรณสติสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องแก่ไม่มีใครร่วงผลความแก่ไปได้สองคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไม่มีใครร่วงพความเจ็บไปได้ ถามคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องตายไม่มีใคร ล, ล่วงพ้นก่อนตายไปได้ทีคนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องพัดภาคจากคนรักของรักไม่มีใครล่วงพ้นจากความพัดภาคไปได้และให้คนทุกคนเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดไว้ดีก็จางผู้ก็จางเป็นพายารับผลของกรรมนั้นๆด้วยตนเองนี้คือวิธีเจริญมรณะเสติในชีวิตประจําวันอย่างที่หนึ่ง วีธเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันอย่างที่สองก็คือฝึกเจริญมรรณสติให้เคยชินด้วยการหนึ่งเจริญมรรณสติตามวิธีในปฐมมรรณสติสูตรคืออย่างที่อาจารยาพยกมาเล่าในตอนแรกนั่นก็คือว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะเจริญมรรณสตินั่นคือหนึ่งคืนหนึ่งวันเจริญมรรณสติครั้งหนึ่ง สองวันหนึ่งเจริญมรณสติครั้งหนึ่งสามกึ่งวันหรือครึ่งวันเจริญมรณสติครั้งหนึ่งแล้วสี่ช่วขณะฉันอาหารมื้อหนึ่งเสร็จแล้วก็เจริญมรณสติครั้งหนึ่งห้าฉัอาหารได้กึ่งมื้อหรือครึ่งมื้อทานไปแล้วกาลังอร่อยอร่อยก็หยุดเจริญมรณสติสักทีหนึ่งหกช่วขณะฉันเข้าสี่ห้าคำก็เจริญมรณสติครั้งหนึ่งแล้วเจ็ด ทั่วขนาดันข้าวเสร็จหนึ่งคำก็เจริญมรรณะสติครั้งหนึ่งและแปดหายใจข้าวหายใจออกเจริญมรรณสติกำกับทุกลมหายใจข้าวออกนี้เป็นวิธีเจริญมรรณสติในชีวิตประจำวันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเจริญมรณสติยามได้ข่าวคนตายคุณโยมได้รับรู้รับฟังว่ามีคนตายที่ไหนใครตายก็ขอให้น้อมเข้ามาสอนตัวเองว่าเราก็จะตาย คนทัางต่างจังหวัดตรงชาวบอกว่าญาติตายอ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวคนตายดูโทรทัศน์พบข่าวอุบัติเหตุก็เจริญเข้าไปน้อมมาหาตัวเองว่าอ๋อคนทั้งหลายที่ตายเนี่ยก็เหมือนกับเรานะเขาก็ตายวันหนึ่งเราก็จะตายเหมือนเขาไม่มีอะไรแตกต่างากันเลยเขาตายได้เราก็ตายได้นี่น้อมเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเจริญมรณสติยําได้ข่าวคนตาย สามเจริญมรณสติยามไปร่วมงานศพเวลาเราไปร่วมงานศพจะไปติดใจว่าโอ้โหเจ้าภาพจัดงานศพรู้มากมากตรงริบเป็นร้กอยติดอกติดใจคนมาร่วมงานเยอะจริงๆแสดงว่าคนไายมีบารมีบางทีไปร่วมงานศพโอ้โหงานนี้เอาท่านนายกมาเป็นประธานยิ่งใหญ่จริงๆไปติดแต่เปลือกของงานศพหมดเลยไม่ได้แก่ง ทกครั้งที่ไปร่วมงานศพขอให้นึกว่าคนที่นอนอยู่ในโรงกับเราที่ไปงานศพเข้ากันนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนอนอยู่ในโรงแหละสอนตัวเองอย่างนี้หรือทุกครั้งเวลาไปไหว้ศพทําไหว้ศพจะมีอยู่ว่าอาวัตสังมะยามาริตถังคุณโยมเคยแปลไหมเวลาไปไหว้ศพเขาจะเขียนเป็นคําบาลีเอาไว้อวัตสังมะยามาริตถัง คนที่ไม่รู้ก็ไหวป้ประลกประลกสามครั้งแต่ถ้ารู้ความหมายนะ่าจะเข้าใจอาวาสังมะยามาริตะพังแปลว่าตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ตัวเราก็จะตายเป็นแน่ทนแนท้ทุกครั้งที่ไหว้จบจริงๆไม่ได้ไหว้จบนะแต่คือไหว้สบเพื่อสอนตัวเองนะไม่ได้สอนศบ เราเข้าใจความหมายอ๋อคำไหว้จกที่บอกว่าอาวัตสังมัยามะริตัพังก็คือการสอนว่าฉันก็จะตายนั่นเองทุกครั้งที่เราไหว้จบเราจะไม่ประมาทมีสติเพิ่มขึ้นนี่ไปงานศพถูกต้องคือต้องได้สติอย่างนี้เรียกว่าเจริญมรณสติยามไปร่วมงานศพต่อไปเจริญมรรคสติก่อนนอนเจริญมรณสติก่อนนอ น, อ น, น, อนทํายังไง จเจริญมรณณสติก่อนนอนเนก่อนหลับตานอนก็นึกสอนทิองว่าตายหนอตายหนอตายหนอะหือนึกว่าเราจะตายเราจะตายเราจะตายนึกแล้วเนี่ยจะได้ไม่ประมาทในชีวิตนึกแล้วจะไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นคนที่ไม่นึกว่าตัวเองจะตายเนี่ยจะใช้ชีวิต ด, ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะจับตาจับผิดคนอื่นดูซิคนน้ำเป็นอย่างนี้ดูซิคนนี้เป็นอย่างนั้น มัวแต่จับติดคนอื่นแต่ถ้าเรานึกถึงความตายนะเราจะอ่อนน้อมผ่มตนตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพราะกลัวว่าจะไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วในชีวิตมีคนไปถามท่านพุทธทาสทำยังไงจึงจะเตรียมตัวตายอย่างดีที่สุดท่านบอกว่าขอให้เธอใช้ชีวิตเหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตทาอย่างไรจรึงจะตายอย่างดีที่สุด ต้องอยู่อย่างดีที่สุดทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างดีที่สุดนั่นคือต้องอยู่เหมือนกับ ว, ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตคิดอย่างนี้ได้เราจะใช้ชีวิตทุกทุกย่างก้าวทุกทุกเอาราหมดด้วยความไม่ประมาทพอเราไม่ประมาทชีวิตก็สมบูรณ์ด้วยความดีงามชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยความดีงามอยู่ก็ไม่อะไรตายก็ไม่กังวล รอวันเวลาที่ความตายจะมาภาตัวเองเหมือนกับคนงานรอเวลาเลิกงานตีละครตึ้ ง, งเมื่อไรหรก็เมื่อนั้นวางงานแล้วก็ไปไม่อะไรนี่เรียกว่าอา น, นิสงส์การเจริญมรณาจิตจะเป็นอย่างนี้คือมันจะชัดมากก่อนนอนก็เจริญจะหน่อยถ้าไม่นึกว่าตายเนอะตาหน่อยอจะเจริญแบบเป็นแบบแผนก็ได้เรียกว่าจะเจริญตามแบบแผนก็คือมีคําให้พิจารณาด้วย อัตมาภาพเขียนไว้ในหนังสือขึ้นนอกขึ้นไหนจะลองอ่านให้ฟังว่าเจริญแบบเป็นแบบแผนเป็นอย่างไรก็คือมีคำภาษาบาลีสำหรับให้ท่องให้บริกรรมเช่นบริกรรมว่าภุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามริตพันตัวเราจะพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตตังเมอันนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังแต่ความตายของเราเป็นของเที่ยงมวะตตควรที่จะสังเวทยังกาโยร่างกายนี้อัศรังมิยั่งยืนอาเปตวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณชุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับผมซึ่งแผ่นดิน กะลิงฆ่ารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนิรับถังหาประโยชน์อันใดมิได้นี่เป็นคำบริกรรมเวลาเจริญมรณาสติอย่างเป็นแบบแผนเมื่อเราเจริญมรณาสติทุกๆครั้งเนี่ก็เหมือนกับเรารดน้าให้ต้นไม้ของเราทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็จะดูดซับเอาน้าไปหล่อเลี้ยงรากหล่อเลี้ยงลำต้นให้เจริญงอกงามชั้นใด ทุกครั้งที่เราจะเลิญมรณสติเท่ากับว่าเรารดน้ําให้กับมเมล็ดพันแห่งความไม่ประมาทในหัวใจของเราจะเลิญมรณสติวันละนิดละหน่อยเราได้บําเพ็ญอัปปามาทธรรมคือบําเพ็ญธรรมที่เรียกว่าความไม่ประมาทอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาบําเพ็ญทีละนิดทีละหน่อยก็เหมือนน้าหยดลงใส่แก้วทีละหยดทีดละหยดสุดท้ายก็เต็ม เนี่ยการเจริญมรณสติอย่างเดียวเนี่ยทําให้มีสติเต็มคนที่มีสติเต็มก็เป็นพระอรหันต์ได้จะเห็นว่าคู่นานนี้สองเนี่ยทําให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททาให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทําให้ใช้ชีวิตกับคนรอบข้างอย่างดีที่สุดแล้วก็ยังเป็นบรรทัพฐานให้เกิดความไพูบุ์ของสติสัมปชัญญะได้ด้วยเนี่ยคือนี้สองของการเจริญมรณะสติทีนี้ธรรมภาพพูดเรื่องมรณสติมามากพอสมควรแล้ว อยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าคนที่เขาเจริญมรานาสติแล้วเนี่ยได้ผลยังไงมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเล่าเอาไว้ในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีพระอราจารย์ผู้อธิบายคาสอนนี้นำมาเล่าคือมีคนอยู่ห้าคนในคนห้าคนนี้ครอบครัวเป็นกัลยาณชนพูดง่ายๆว่าเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิจะสอนคนในครอบครัวอยู่ประจาว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเออทั้งหลายต้องไม่ประมาทสอนทุกวันวันหนึ่งผู้เป็นพ่อไปทำนากับลูกชายในระหว่างที่ทำนาตอนเช้านั่นเองลูกชายไปขุดคุ้ยขยะที่ข้างจอมปลวกปรากฏว่าถูกงูที่อยู่ที่จอมปลวนั้นกัดจนถึงแก่ความตายผู้เป็นพ่อตามหาลูกชายมาพบว่าลูกชายนอนตายจนตัวเขียวแล้ว แทนที่จะตกใจไม่ได้ตกใจเห็นลูกชายนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกเพราะความที่เคยเจริญมรณาสติอยู่เป็นประจาพูดเพ่อก็นึกในใจว่าอ๋อความตายที่เราเคยพูดพูดกันวันนี้สิ่ง น, นี้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วความตายคนตายไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์ในที่สุดสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราบริกรรม สิ่งที่เราได้รับคำสอนมาก็มาอยู่ต่อเบื้องหน้าของเราแล้วนั่นคือลูกชายของเราได้ตายลงแล้วพอรู้เท่าทันธรรมดา่างนี้ทุกไหมไม่ทุกอุ้มลูกชายเป็นนอนไว้ใต้ร่มหม้แล้วก็ไปไถนาต่อทั้งวันเลยนะในระหว่างที่กำลังไถนาก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาหัวหน้าครอบครัวตะโกนบอกว่านี่เธอถ้าแวะบ้านฉันนะช่วยบอก ภรญยาฉันด้ ว, ว่าวันนี้ให้เตรียมกับข้าวมาที่เดียวก็พอไม่ต้องเตรียมมาสองที่ไม่ต้องเตรียมมาสองสำรับพอภรรยาได้ยินแค่นี้แทนที่จะตกใจนะไม่ตกใจภรรยาเตรียมกับข้าวให้สามีหนึ่งสำรับแล้วบอกคนทุกคนในบ้านให้มาที่ปลายนาด้วยกันทั้งหมดในข่าวสารนั้นไม่มีการบอกเลยว่ามีคนตายแต่ทุกคนเข้าใจว่าต้องมีคนตายเกิดขึ้น พอมาถึงก็ปรากฏว่าผู้เป็นแม่ก็เห็นว่าลูกชายของเตนตายจริงๆผู้เป็นภรรยาก็เห็นว่าสามีของเตนตายจริงๆผู้เป็นน้องสาวก็เห็นว่าพี่ชายของเตนตายจริงๆผู้เป็นคนใชายก็เห็นว่านายของเตนตายจริงๆแต่ทุกคนมายืนมองดูศพไม่มีน้ําตาแม้แต่หยดเดียวไม่มีเสียงร้องไห้ข่มขวัญทุกคนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วภาวนาว่าชีวิตเป็นอย่างนี้มีเกิดขึ้นในเบื้องต้น ดำรงอยู่ในท่ามกลางสุดท้ายก็จะแตกดับผู้เป็นแม่ก็บอกว่าลูกชายของฉันตอนที่มาเกิดฉันก็ไม่ได้เชิญเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นเหมือนงูเลอกครากรูปร่างสังขารใช้แล้วมันข้ามข้าก็เปลี่ยนมือกันไปเช่นนั้นฝ่ายภรรยาก็บอกว่าสามีของดีฉันก็เหมือนหม้อน้ำใบหนึ่ง ใช้ไปสักพักธรรมาชาติของหมอ้อดินก็ต้องแตกแต่ละคนก็ผัดเปลี่ยนกันกล่าวทำไมสังเม็ดไม่มีใครร้องห่มไม่มีใครร้องไห้ตัดท้ายช่วยกันทําศพลูกชายแล้วก็กลับบ้านยังมีความสุขป <c oughs> ุกบเความตายไม่สามารถทําให้คนห้าคนในครอบครัวนั้นล้มเจ็บไม่สามารถทําให้คนห้าคนในครอบครัวนั้น ทุบหนักหนาสาหัสถึงฟางตายไม่สามารถทำร้ายคนห้า asaki, คนนั้นให้อยู่กับความหลังอันเศ้าลึกแต่ทำให้คนห้าคนนั้นไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นแล้วใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนี่เห็นได้อย่างว่าอาณิสักรของการเจริญมรรณาสติเป็นอย่างนี้ถ้าเราเจริญแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงตัวตรมภาพก็เช่นกัน พ่วงหนึ่งเยยมพี่ของอาตมาภาพเสียเพราะว่าตัวเองเสียใจมากตั้งใจว่าถ้าเจอยมมาทูดหรือยมมาบานข้างทางนี้จะเขา้าไปช็กเลยนะแต่อยู่ไม่สองปียมแม่เสียอาตมาาพสงสัยว่าทำไมตัวเองแม่รองห้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองชัดว่าพอเข้าใจโลกเข้าใจจะธรรมแล้วเนี่ยมันใช้ในสถานการณ์จริงได้จริง คือเราไม่เพียงแต่ไม่เศร้าแต่เราจัดการกับชีวิตได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เวลาไปเทศไปสอนคนอื่นเราก็สามารถเทศจากประสบการณ์ตรงได้ดียิ่งขึ้นชัดขึ้นอันนี้แหละคืออ น, นิสงค์ของการเจริญมรรณะสติซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตได้จริงอะไรก็ตามอ น, นิสงค์ของการเจริญมรรณะสตินี้ยังมีอยู่หลายประการซึ่งธรรมภาพได้ประมวลมาไว้วันนี้จะอ่านให้คุณโยมทั้งหลายฟังเป็นการสรุปในเรื่อง การเจริญมรณสติจากปฐมมรณสติสูตรในคัมภีร์ยิสุติมักเนี่ยท่านจะรวบรวมอา น, นิสงส์งของการเจริญมรณสติเอาไว้แล้วตรรภาพได้ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยดังนั้นก็จะสรุปให้เราทั้งหลายฟังว่าปฐมมรณสติสูตรหรือพระสูตรที่ว่าโดยการเจริญมรณสติในวันนี้ถ้าเราจับสารกันสารได้นํามาใช้ได้ในชีวิตจริงๆ จ, จ, จะได้รับอา น, นิสงส์หรือประโยชน์อะไรบ้าง 1>, 1. ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสองปล่อยวางความทุดติดหรือมั่นในสิ่งทั้งปวงสไม่ห่วงหาอะไรในชีวิตในเมื่อถึงวาระสุดท้ายสี่ละอายชั่วกลัวบาปคือเลือกเป้นทาแต่กรรมที่ดีและห้าไม่ละโมในทรัพสมบัติเพราะถึงที่สุดก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหกเข้าใจสตธรรมแห่งชีวว่าไม่เที่ยงแท้มีความผันแปรเป็นธรรมดา 7. ไม่กลัวความตายแปดถึงเวลาตายตายอย่างสงบเก้าเป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิภาวานาในเบื้องสูงขึ้นไปและสิตายไปแล้วย่อมถือกำเน ด, ดในสุขติภพทำไมจึงกำหนดในสุขติภพเพราะคนตายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนตายถ้ามีจิตเศร้าหมองไปทุกคติ แต่ก่อนตายถ้าจิตผ่งใสไปสุคติคนที่เจริญมรรณาสติอยู่เสมอเนี่ยจะตายด้วยจิตที่ผ่องใสไม่ต้งหมองไม่ลนลานตายไม่หลงตายเมื่อไม่กลัวตายไม่ลนลานตายไม่หลงตายคือตายด้วยจิตผ่องใสก็ต้องไปสู่สุคติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเป็นธรรมดาของคนที่เจริญมรรณาสติอยู่เป็นประจำอัตมภาพได้ กล่าวธรรมบรรยายเรื่องปฐมมรณาสติสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณาสติมาพอสมควรแต่เวลาฝังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้บรรยายมาทั้งหมดในวันนี้จะทําให้เราท่านทั้งหลายมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนเกี่ยวกับความตายซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายของชีวิตที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรือคนคงจะกระจ่างแต่ญาโยมทั้งหลายเป็นอย่างดี ในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายในวันนี้ธรรมภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันฟังพ็ญธรรมะในวันนี้จงมารวมกันเป็นตาบารีพระพรวัจจัยอำนวยเวทไสให้ทุกท่านทุกคนเจริญไปด้วยความศักและประกอบไปด้วยเจตุรติจักรคืออายุววันนะสิกขาพละปฏิทานธ่านสามจงบารุกท่านทุกคนเถิ